อาจารย์ครับการหลวงพิจารครับผมจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการกันที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอาจารย์ครับการอื่นผมขอการาดถามพระอาจารย์ว่าเช้าวินทบารคนเยอะไหมครับพระอาจารย์ครับห้าร้อยสาสิบโอ้เอ๊ะมี ม, ม, มีคนทางบ้านเนี่น้อยเกินไปโอ เอ๊วันนี้ไม่ใช่วันพระใช่ไหมครับอาจารย์ได้วันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่น ค, คนอาจะรู้จักกันมากขึ้นตัวร<ม>ายการนี้แล้ว <laughs> โอ้ดีจังเลยเป็นโอกาสให้ผู้คนได้ไปทําบุญกับอาจารย์เยอะขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ถ้าไม่มาเองก็สามารถฝา่งไมค์ค่าเขาใส่แทนให้ได้ครับผมโอ้เป็นโอกาสของพวกเราครับอาจารย์ครับวันนี้ ขอถามพระอาจารย์เรื่องศีลครับเพราะว่าตั้งชื่อหัวข้อขว่ามีศีลก็มีสุขเวลาไปทําบุญที่วัดก็จะได้เห็นพระให้พรศีเลนะสุปฏิยันติจนถึงนิพพานก็เลยกราบข อ, ขอขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของศีลที่ทําให้เราเป็นนิพพานได้อย่างไรครับะอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับอันนี้สอที่เขาแสดงไว้ท้ายศีล น, นะข้อแรกก็ศีเลนะสุปฏิยันติหมายถึงไฟถึง ไปสู่สุคติได้ด้วยการมีศีลในการรักษาศีลความจริงอันนี้มันก็อาจจะเป็นถูกเพียงครึ่งเดียวตามความเข้าใจของเรานะคือในการมาพบที่เราอยู่กันเนี้ยพบของผู้ที่ยังเสพกางนุ่เสียงกลิ่นร้น่จะมีแบ่งเป็นสองส้นด้วยกันเส้สุคติและทุคติคสุคติก็คือสวรรค์หกชั้นที่ เทวดาต่างๆอยู่ชั้นตวศิษย์ชั้นอะไรต่างๆจำชื่อไม่ได้เนี่ยมีแบ่งไว้6ชั้นด้วยกันแล้ส่วนทุกขติก็มีแบ่งไว้เป็นสี่ที่เรียกว่าอบายสี่นิราชันเปรตอสุรกายและนรกส่วนมนุษย์นี่อยู่ระหว่างกลางพบของมนุษย์นี่อยู่ระหว่างกลางของสุคติกับทุกคติ เป็นพบที่มาสร้างสร้างสุคติหรือสร้างทุคติครับเป็นเป็นที่มาสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกรรมง่ายๆแล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลกรรมของตอนที่ได้ทําไว้ีนี้การรักษาสี่นี้เป็นการละ ก, การกระทําบาปห้าข้อสี่ข้อควจริงถ้าศัตว์รักษรัพประพฤติผิดประเพณีพูดบท อันนี้แหละการเราทำบางตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะดึงจิตให้ตรงไปลงไปสู่ทุกขติลงไปสู่อาบายสี่แต่ไม่ไม่ได้ดึงใจิตไปสู่สุขตนะิเพียงแต่ถ้ารักษาสีก็เพียงแต่ห้ามไม่ให้ตกลงไปในอาบายถ้าไม่ฆ่าสตรไม่ลักทรัพย์ไม่บัคคุยผิ ด, ผดไประเวณีไม่ไม่พูดปดก็ไม่เป็นไม่ไ ป, ไปเป็นไปเกิดในอาบายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ ฐานรภาพยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าอยากจะไปสวรรค์ไปสู่สุคตินอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องทําบุญด้วยทําบุญทําทานเนีบุญนี่หลาเป็นผู้ที่จะนึงจิตให้ไปสู่สุคติทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทําทั้งบุญทั้งบาปสลับกันไปสลับกันมาเวลาตายไปนี้ก็อยู่ที่บุญหรือ บ, บาปฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากัน ถ้าฝ่ายบุมีกำลังมากกว่าฝ่ายบุญก็จะดึงดวงวิญญาณไปสู่สุขติถ้าฝ่ายบามีกำลังมากกว่าก็จะดึงดวงวิญญาณไปสู่ทุกขติไปสู่บาปดวงวิญญาณนี่ก็เปเหมือนเป็นเป็นเหมือนเกวียนที่มีมีมีมีมีกจูงมีมีมีมีมีมี่ีมีมีมด้ามหมีงีมีมีมีมีมีมีนีมีมีมีมีมีัีมีาีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมมีนีมีมมีมม เกวียนไปถอยหลังไปถ้าตัวที่อยู่ด้านหน้าเกวียนมีกําลังมากกว่ามันก็ดึงเกวียนไปทางด้านหน้านบุญกระบาปก็เป็นเหมือนวัวหรือโคที่คอยที่ดึงเกวียนให้ไปทางใดทางหนึ่งดังนั้นก็อันนี้คือความเขอ้าใจที่ไดว่าเป็นเหตุให้ไปสู่สุคตินี่ก็แสดงว่าเป็นเหตุเพียงครึ่งเดียวเกิไม่ให้ตกไปในอภัยแต่ยังไม่ขึ้นสู่สุคติ ถ้าถืว่ารักษาศีลตลอดชีวิตไม่ทําบาปเลยแต่ไม่ทําบุญแม้แต่บาทเดียวนี้นะมันก็ไปไปสู่สุคติไม่ได้ต้องต้องทําบุญถึงอย่างหนึ่งไปแต่ถ้ า, ถาทาบุญแล้วสลับไปกับการทําบาปถ้าบาปมันหนกักกว่าบุญก็ไปสู่สุคติไม่ได้ยังต้องทำทั้งสองอย่างเพื่อความแน่นอน คือรักษาสีหน้าไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญตามตามกำลังของเราไปอันนี้ก็จะรับประกันได้ว่าไปสู่สุคติอย่างแน่นอนอันนี้ถ้าใครค้านก็ไม่ว่างนะเป็นเป็นแต่ความคิดเห็นของเราเองส่วนข้อที่สองว่ามีสิ่งที่จะนำมาให้สู่โภกทรัพย์ก็คือคนที่ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริญไม่ชอบโกงไม่ไม่ปล้นไม่ไปที้ไม่รักทรัพย์ ก็จะไม่ถูกเขาจับไปลงโทษยึดทรัพย์ต่างๆใชเป็นเงินที่บริสุดธแต่ถ้าทำงานที่ช่อกงผิดกฎหมายแล้วผิดศีลแล้วทำนี้วันใดวันหนึ่งก็อาจจะถูกจับพอจับได้เขาก็จะยึดทรัพย์หรือถ้าซ่อนทรัพย์ไว้ก็ใช้ทรัพย์ไม่ได้ในช่วงที่ไปติดคุกติดตารางแล้วก็ อันนี้ก็เป็นเหตุที่ว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วทรัพย์ที่เราหามาได้จะเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ที่เราจะมีใช้ได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ถูกใครมามายึดไปหรือม่ใครมายึดข้ามกังวลว่าจะไม่ใครมาจับเราไปทําคุกของตาราง น, นี่คืออันนี้สงบนการมีโชคคทรัพย์ด้วยการรักษาศีลแล้วข้อสุดท้ายว่าศีลนาไปสู่นิพพานอันนี้ก็ไม่จริงเพราะมันเป็นเพียง มีส่วนที่จะสนับสนุนให้ไปนิพพานได้แต่ต้องผู้ที่ไปนิพพานได้ต้องมีปัญญาและผู้ที่มีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนและผู้ที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนมีบททรรบนหนึ่งที่ว่าออสมาธิศีลอบรมดีแล้วย่อมมีนิสงมากมีพลามีพลานุภาพมา ส่วนสมาธิที่ส่วนปัญญาที่อบรมด้วยสมาธิก็จะมี อ, น, น, อ น, นิสงฆ์มากมีพลานุภาพบ้างแล้วจิตที่ได้รับการสนับสนุนด้วยปัญญาก็จะหลุดพ้นจากการเมีนยนมากตายเกิดมันเป็นขั้นสินสนับสนุนให้เกิดสมาธิเช่นถือสินแปนี้ถ้าไม่ถือสินแปนก็จะไม่มีเวลาไปฝึกสมาธิ ฝึกได้นิดเดียวเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็หิวข้าวเย็นแนละ้วก็ไม่ไม่เป็นมุ่งเดี๋ยวก็อยากจะดูดูทนะีวีแล้วเดี๋ยวก็อยากจะนอนกับแฟนนะแล้วจะเจาเวลาไหนเป็นฝึกสมาธิได้นะ่ะก็ต้องรักษาสินแปดสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปนิพพานนะต้องจัดกาให้คำมะบาลมีคือหยุดละเว้นจากการเสพกามกามกุลนั่ต้องถือสินแปด สิ่งห้าไม่พอศิ่งห้ากำลังไม่พอที่จะสนับสนุนการไปภาวนาเดินจง ก, กลมนั่งสมาธิได้จิตสงบเป็นอปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาถ้าจิตไม่มีอปปนาสมาธิไม่มีอุเบกขาจิตก็จะพิจารณาทำไม่ได้ยากเพราะกิเลส จ, จะไม่ยอมให้พิจารณาเช่นนสุภานี่พิจารณายากความตายเนี่พิจารณายากก็จะมองไม่เห็นความจริงเหล่านี้ แต่ถ้าเป็นจิตที่สงบมีอเุเบกขากิเลสความอยากมันก็ถูกถูกกดเอาไว้ก็จะไม่มาสร้างการต่อต้านให้เป็นพิจารณาทำที่กิเลสไม่ชอ บ, เ ช, อบเช่นความตาม่ายเช่นอสุภะต่างๆในการพิจารณาทุกกเวทนาอย่างนี้กิเลสไม่ชอบก็จะไม่สามารถที่จะละความอยากตา่างๆได้ ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีเวกขาอันนี้ถึงต้องต้องมีมีสมาธิก่อนพอมีสมาธิแล้วก็สามารถออกจากสมาธิมาก็พิจารณาตายลักได้พิจารณาความตายได้พิจารณาสุภาษได้พิจารณาได้ก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่สวยไม่งามร่างกายมันก็จะละกามาราคาได้ เห็นว่าร่างกาต้องเป็นของไม่เที่ยงต้องต่างก็ยอมรับความตายนะนี่คืออางทีเวลาที่เขาสแสดงว่านี้อัจฉริยงแบบสรุปก็เลยขออนุ ญ, ญาตมาขยายความให้เข้าใจบางทีคนจะเข้าใจผิดว่ารักษาสี่ยน่าอย่างเดียวก็ไปไปนี่ผ่านได้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องเจริญปัญญาก็ได้ไปไม่ได้แล้วรักษาสี่อย่างเดียวไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ สมมติว่าถ้ารักษาศีลอย่างเดียวก็ไม่ไปรบายทั้งเองแต่สมมติถ้าถ้าตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไม่ได้ไปสวรรค์สิ่งก็เป็นเป็นสิ่งการันตีว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นเองครับอาจารย์ใช่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ครับเพราะถ้าเราทําบาปปั้ความเป็นมนุษย์คก็ค่อยๆลดน้อยลงไปตาม การปริมาณของการทําบาวก็ทํามากทำน้อยนะแล้วที่มีอบายสี่สี่ที่ก็เพราะว่าเหตุของการทําบาวมีสี่ลักษณะมีสี่เหตุทําบาวด้วยความหลงไม่รู้ทาคิดว่าเป็นการทําเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยคนที่ทําเลี้ยงชีพค่าเป็ดค่าไก่เขาก็าคิอว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำมาหากินชาวประมงก็ต้องไปจับปลามามาฆ่ามาขาย เขาคเป็นเรื่องปกติของการดำรงชีพอยู่กฎหมายก็ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าผิดแต่ก็าทางกรรมนมี่ถือว่าผิดเพราะจิตใจอยู่ในลักษณะของเดราาัจฉ า, านเนี่ยเดรัจฉาน็ขาเขาดำรงชีพได้อย่างไรเขาก็ดำรงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ที่เล็กตัวเล็กกว่าเขาใช่ไหมสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเห็นถ้าเราทำอาชีพทํำบาปเพื่อเลี้ยงชีพก็ถือว่าเราเป็นเดราาัจฉานนะจิตใจเราเริ่มไปเป็นเดรัจฉาน ถ้าเราทำบาปด้วยความโลภอันนี้ก็จะเป็นเปรตเปรตที่จะมีความลักษณะของความหิวโหยได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้ล้ะก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้เหงินไม่เกิดความอิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มก็จะเป็นดวงยะดววิญญาณที่หิโหยส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาทำร้ายเราก่อนแล้วเราก็เลยไปจัดการเขาก่อนไปข่าเขาก่อนเลย กลัวามลงสัตว์กัดต่อยจะมาทำลายมาความสุขของเราเราก็เลยฆ่ามันอันนี้ทำทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวกลัวโน่นกลัวนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทำบาปด้วยด้วยความมาฆ่าขยาบาทจองเวรจองกรหน้าต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยก็จะไปนรก อันนี้การทาบาปมันมีมีเหตุที่ต่างกันไปถึงมีมีที่ไปอยู่สี่ที่ไงครับรักชังกลัวหลมก็ไปเป็นเดือดฉานเป็นเปรเป็นมัศุลกายเป็นนรกนพอฟังพระอาจารย์แล้วนึกคาครูบาอาจารย์ได้ที่บอกว่าต้องมีมัชสมังคีนี่คือต้องมีสี่สมาธิปัญญาอย่างนี้เลยใช่ั้ยครับเ ต, ต้องครบองค์ไห เหมืนหอนอาจารย์จะเป็นหมอต้องเรียนครบหน่วยกิตใช่ไหมครั บ, รบไม่ใช่ได้่หน่วยกิตเรียนแค่วิชานี้วิชานี้แล้วจะไปเป็นหมอได้ไม่ได้ครับอ่บต้องให้ครบหน่วยกิตหน่วยกิตก็คือมรแปดทางสุภาธิกานถ้าเป็นคาราวาสก็ต้องเพิ่มศีลเข้าไปข้อนึงก่อนไอ้ทานข้อนึงเข้าไปก่อนที่สุดท ong มรแปดนี้แสดงให้กับ นักบวชที่สละทำสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วทําทานหมดแล้วก็เลยไม่ต้องสอนคนที่จะไปที่พานนึงต้องสละทรัพย์สมบัติต้องออกบวชกันเป็นส่วนใหญ่ถ้ามิถ้ายังโวงทรัพย์สมบัติอยู่ก็ไปไม่ได้เหมือนเรือที่อย่เวลาจะเอาเออกไปทา่าจะจ ะ, จะให้เรือวิ่งออกไปในใ น, ในทะเลนี่ก็ต้องถอนสมองก่อนถ้าไม่ถอนสมองเือก็ไปไม่ได้ ท, ทรัพย์สมบัตินี้เป็นเหมือนเหมือนสมองคอยดึงใจไว้ไมั้ยให้ติดอยู่กับการห่วงใยทรัพย์สมบัติเชอาของเงินทองต่างๆหวงใยแล้วก็ทําให้ต้องใช้เวลารักษามันต้องใช้เวลาหามาเพิ่มเพราะม่นมีทรัพย์ก็เอาไปใช้มีเงินทางก็เอาไปใช้จตไปใช้ทางกิเลยใช้ตอบสนองตันหาความอยากต่างๆเอาเงินเงินลดลงก็ต้องไปหาเงินมาเพิ่ม ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติมากไบและไม่มีเวลาที่จะไปบวชได้ในคนสมัยนี้คนบวชเดี๋ยวนี้น้อยลงไปเพราะว่าทาเงินกันมากกว่าใช้วิทยาณเพราะตอนนี้การการเจริญทางวัตถุมัน ม, มีมีมากขึ้นการงานนี้มีมากขึ้นทำงานได้รายได้มากขึ้นเนีเพรเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบวชกันบวชได้อย่างมากก็แค่วิอาทิดหนึ่งสองอาทิตย์ 1, สมัยก่อนนี้ทางวัตถุมันก็เจริญนะก็มีเวลาที่จะบวชได้นานท่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวนาชาวไร่ทําไร้ไถนาปีหนึ่งก็ไม่ทำทั้งปีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มาทํางานทางทางทา ง, ทางวัตถุทางอุตสาหกรรมทางอนี้ต้องทำทั้งปีไม่มีเวลาอยู่ได้ก็เลยทําให้คนติดกับการหาเงินใช้เงินไป ก็จะไปปฏิบัติมากแปดไม่ได้ไปบวชไม่ได้ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับได้ปัญญาเพิ่มครับผมอาจารย์ครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนบ้างนะครับคุณแว่นครับวันไหว้ตรุรจีนจําเป็นต้องไหวเทพเจ้าและหากมีความเชื่อเช่นห้ามทําความสะอาดห้ามซักผ้าในวันเที่ยวอย่างนี้ถือว่ายังมีศีลประตะปรามาสอยู่ใช่ไหมครับ มันก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เกิดผลในต่อจิตใจยอย่างแท้จริงที่ว่าทวเพื่อเป็นความสิริมงคลเพื่อกำจัดความอุบัติทั้งหลายนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่บุญหรือบาปที่เราทำกันไม่ได้อยู่ที่ทำพิธีกรรมต่างๆไหว้ไหว้เจ้าไหว้ภูเขาไหว้ต้นไม้หรือไหว้อะไรก็สุดแท้แต่ มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะนำไปสู่การการเจริญและการเสื่อมของทางจิตใจคุณไลคคพีมครับสมมุติว่าเป็นเวลาบ่ายแล้วใส่อาหารที่กินหลุดออกจากซอกฟันกรืนลงคอไปอย่างนี้ถือว่ากินอาหารหลังเที่ยงไหมครับอไม่หรอกมันเกินไปอย่าไปอย่าไปคขึ้นขนาดนั้นเล ย, ยแบบนี้แบบเทนตรงถ้ามันเข้าไปในปากก่อนเชี่ยงมันก็ถือว่ากินเข้าไปแล้ว ยังไม่ถึงท้องไม่เป็นไรมันจะถึงท้องต่อไปทีหลังก็ได้ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มันไม่มันไม่มันไม่มีผลอะไรเสตท า, ารเข้าไปในเข้าไปในท้องมันทําให้เราอิ่มขึ้นทําให้เราขี้เกียจง่วงนอนมากขึ้นหรือเปล่าการที่เราไม่กินอาหารมากก็เพื่อที่จะป้องกันการการการง่วงนอนการการเกลียดค้างที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเพราะปกติถ้าราทานอาหารอิ่มหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะทํางานทําอะไรเใช่ไหม อยากจะพักผ่อนหลับนอนก่อนงั้นถ้าเป็นเศษอาหารติดฟันนี้ว่าอย่าอย่าไปกังวลในขนาดนั้นเลยนครับผมใช่ครับอาจารย์ผมเคยเห็นแบบอที่ครูบาอาจารย์จะมีแปรงสีฟันที่เป็นขนๆ น, นะครับแล้วเคยทำอาจารย์ก็บอกว่าต้องเอาออกให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่หลับทำไมทํำไ ม, ไมำก่อนกอน็ไม่มีแปรงสีฟันอย่างเราไงต้องทําแปรงต้องทำแปร ง, ง, งกันเองการป่านมักจะ ทำของใช้เองเพือ่พอจะได้เพราะไม่มีเงินไปซื้อของเนี่ยแต่ไม่เวลาทำํำก <c oughs> ็เลยไปเอาไม้มามามาผ่าเป็นซี่ๆแล้วก็เอเหลาให้มันแหลมด้านหนึ่งก็เป็นไม้จิ้มฟันไม้แคบฟันอีกด้านหนึ่งก็ต่อกให้มันเป็นเหมือนกับเป็นแปลงไม้สำรับสีฟันแค่นี้ครับของลวงตามีใช้แบบนี้ไหมครับอาจารย์ครับผมใช้ทุกวันอะ่ะใช้แบบนี้แล้ครับ เออท่านแต่แต่ไม่ทราบว่าท่านหลังจากนั้นกลับไปที่กุฏิท่านจะใช้แปฝงส่ฟันแบบสบายใหม่หรือเปล่า ไ, ไม่ทราบแต่เห็ท่านใช้ทุกวันต้องเตรียมไว้อย่างวันทุกครั้งที่ท่านฉันนะั้นจะต้องมีมีแปฝงแบบนี้ไว้ให้ท่านใช้ไว้ไว้จิ้มฟันคุณพริตตี้ครับผู้ที่ถือศีลห้าสามารถบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าศีลห้าอย่างเดียว ต้องปฏิบัติสมาธิและปัญญาให้ละสังโยชน์สามได้สินห้าละสังโยชน์สามไม่ได้ผู้ที่ละสังโยชน์สามได้ก็คือสมาธิกับปัญญาควบคู่กันคนไลโคพินมีถามมาอีกบอกว่าในใน้ําดื่มมีรองในน้ําหรือฝ้าขาวขาวค า, าบไขในน้ําเวลาส่องกับแสงไปถ้ากินน้ํานี้เข้าไปถือว่าเป็นอาหารไหมครับ ก็คนนั่งพิจารณาเองก็แล้วกันไม่อยากจะตอบคำถามเรื่อนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเรามันก็ลองพิจารณากันของคุณเองไปก็แล้วกันคุณแนนนี่ครับบอกว่าเมื่อวานไปฟังธรรมมารสมาธิจตทานมาเนมันเกิดขอของคาอวยพรกับอาจารย์ครับขอให้เจอวันไม่เกิดก็แล้วกันนะอืมคุณดําครับ พระโสดาบันมีศีลห้าอัตโนมัติแตกต่างกับศีลห้าที่คารวะหรือบุคคลทั่วไปอย่างไรครับตบางทีว่าท่านเห็นว่าท่านเห็นชัดเจนว่าการทํำบาปนี้อ่าได้ไม่คุ้มเสียอเวลา จ, จะได้ทรัพย์หรือได้รักษาชีวิตของเราเช่น เ, เราอดข้าวแล้วไปขโมยข้าวของคนอื่นมากินอย่างนี้เราก็รักษาชีวิตไว้แต่จิตใจเรานี่ถูกถุกแช่ถูกส่งให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี้ มันไม่คุ้มนะส้ยสู้ยอมตายดีกว่ายามหมดตายดีกว่ายอมหมดตายแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราจฉานตายไปก็ไปนิพพานไปนไหนเลยดน mm ั hmm. ้นท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเห็นด้วยปัญญาว่าการทํำบาปนี้มีผลแน่นอนร้ออร์เซ็น์ไม่สงสัย mm hmm. ส่วนพวกเราที่ถือศีลนนี้ยังไม่รู้ถือไปเพื่ออะไรเลยเขาบอกให้ถือก็ถือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง แล้วก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างแล้วแต่ผลประโยชน์ใช่ไหมบางทีถ้าผลประโยชน์มันมาร่อใจก็อะขอแข ว, ข ว, ขว น, ขว น, ขวนสินห้าไว้ก่อนเพราะมันจําเป็นจะต้องใช้เงินไม่ว่าใก็ว่าไปคนก็มาว่าจ้างให้ไปทําบาปไปก็ยอมทําไปนี่ยต่างกันตรงนี้ถ้าลรา ว, ว่านี่คนที่ถือสินห้านี่ยังยังไม่เห็นเหตุและผลจริงๆว่ารักษาสินห้าเราจะได้อะไร ไม่รักษ า, ษาสีนาหน้าแล้วทบาปก็จะได้ลนะ่ะนี้ยังมองไม่ชัดเจนบอกว่าถ้าในเอเกิดมาเพื่อหมดกิเลสในบีเกิดมาร่ํารวยมีภรรยาสวยมีความรักที่ดีใครสร้างบา ร, รมีมามากกว่ากันครับอถ้าบา ร, รมีมันก็ต้องไปทางทางไม่เกิดนะสิสร้างสร้างมาบา ร, รมีมาเพื่อฆ่ากิเลสไม่เลยมารับใช้กิเลส คนที่มาล่ำรวยนี้ไม่ได้สร้างบารมีหรือสร้างบารมีไม่ถึงขั้นที่ฆ่ากิเลสได้หรืออาจจะได้แต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปหลงกับการมีสิ่งเหล่านี้เช่นเจ้าชายสิทธัตถานี้ก็สร้างบารมีมามาเกิดก็ล่ำรวยมีภรรยาที่สวยแต่ก็ทิ้งหมดเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมีปัญญาบารมีเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเข้า พอเราเห็นคนตายคนเจ็บ ค, คนตายเราเห็นว่าทุกข์ัหมไม่ทุกข์ใช่มั้ <Okay. S 1> ยังเฉยเฉยอยู่มีสมบัติก็ยังรักษาอยู่มีภรรยาสวยๆก็ยังรักยังรักอยู่แต่คนที่มีบารมีขั้นระดับปัญญาบารมีล้วที่งหมดเลยไปบวชดีกว่าคุณเอการาบครับ ขอคำชี้แนะครับกรณีที่เราอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายความเย็นเป็นผดสะและความสบายคือเวทสุขเวทนาใช่ไหมครับและตัญหาจะเกิดต่อเนื่องลักษณะไหนครับก็อยากจะใช้อยู่เรื่อยๆนจะใช้หัวเดียววันไหนพอดับหรือแอร์เสียก็มึนเหยีดขึ้นมาที่ไม่ได้ใช้นะคะความอยากเกิดขึ้นแล้วอยากจะเปิดแอร์แต่แอร์นไม่ยอมติดจะทํำยังไงอากาศก็ร้อนเลย อากาศ ร, ร้อนก็ไม่ชอบอยากจะให้อากาศอยากจะได้อากาศเย็นเพราะไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาเราติดมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเมือนคนติดบุหรี่เนี่ยติดสุราเนี่ยมันต้องกินอยู่ตลาดเวลาต้องเสพอยู่ตลาดเวลานัา่นแหละคือความอยากการที่ต้องเสพเยู่ทุกเวลานาะทีคือความอยากทั้งนั้นแหละที่พาเราไปทําสิ่งเหล่านี้ คุณเลกพีนครับตอนพระอาจารย์ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากําลังใจมาจากอะไรครับก็ามาจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่านคำสอนศึกษาคําสอนไปแล้วก็ก็เห็นเหตุเห็นผลที่พุทธเจ้าส่งแสดงไว้ว่าทําอย่างนี้จะได้อย่างนี้ก็มันก็เลยทําให้มีกําลังใจที่อยากจะทํ า, อ ย, าทอย่างนี้เพื่อจะได้อย่า ง, างที่พระพุทธเจ้าส่งสอนก็จะได้เช่นถ้าปฏิบัติตามสติปัฏฐานได้ เวันก็บรรลุได้ไม่ใช่นั้นก็เจ็เดือนไม่ใชนั้นก็เจ็ดปีมันก็มีกําลังใจเหมือนกับคนไปทํางานแล้วถ้าก็บอกว่าถ้าคุณทํางานดีจะเพิ่มเงินเดือนให้อีกสิบเท่านี้คุณจะคุณจะเอาไหมคุณก็มีกําลังใจเพื่ทอทํำเลยอ่านหนังสือธรรมะไปแล้วเราจะรู้ว่าเราจะได้อะจากการปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณนนทาชัยครับ มีคำถามจากผู้ฝากถามครับพอนั่งสมาธิอยู่กับองค์คำบริกรรมภาวนาพุโทโธพอภาวนาไปเรื่อยๆมีสติตัวรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่เหมือนหูดับแต่ก็ยังมีสติรู้ลมเข้าออกควรไปต่อแบบไหนครับควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าเวลาภาวนาถ้าเอาคําบริกรรมพุโทโธก็อยู่กับคำบริรพุโทโธไปถ้าจะอาเอาลมหายใจก็อยู่คําดูลมหายใจไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจตามอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เรา ภาวนาอยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปใจกว่าจิตจะรวมแล้วสงบนิ่งแล้วลมก็หายไปหรือกรามวิการพุทโธก็หยุดไปแล้แลจิตนิ่งสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งเหนืออยู่เลยเหนือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็เกิดความสงบสุขที่เกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาเคยเห็นมาก่อนอันนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรแสดงว่าเราถึงจุดหมายปลายทางของการภาวนาแล้ว คุณพรพันธ์ครับไปซื้อผักแต่ไม่สามารถแยกชนิดของผักได้ทุกอย่างมีความเหมือนกันหมดเป็นอาการทางสมองหรือสภาวะธรรมครับจำคนที่รู้จักก็ไม่ได้แต่รู้สึกเหมือนคุ้นเคยถ้าเขาไม่ทักก็ผ่านเลยแต่ถ้าเขาเรียกชื่อก็จะจำได้ว่าเป็นใครควรจะแก้ไขยอย่างไรครับเพอเริ่มเป็นบ่อยขึ้นครับมันก็ต้องไปไปไปตรวจสอบทั้งสองส่วนตรวจสอบทางร่างกายว่ามันบกพร่องอะหรือเปล่า อประสาทใช่ไหมคุณหมอครับผมอีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปดูที่จิตใจเพราะจิตใจคือความจำ น, นี้ท่านก็บอกว่าเป็นอนิจจ่าไม่เที่ยงจำได้ก็ลืมได้ที่เราจำชื่อคนได้ถ้าพักถ้าเราไม่ได้เจอเขาไม่ได้อยอ่ยถึงเขาถ้าพักเจอหน้าใหม่นึกชื่อไม่ออกก็ได้ น, นี่ก็เป็นสัญญาความจำเสือ่อม <Okay. S 1> ความจำอนิจจาอนิจจาไม่เที่ยง เดี๋ยวจำจำแล้วเดี๋ยวก็ลืมลืมแล้วเดี๋ยวก็จำใหม่จาใหม่แล้วเดี๋ยวก็ลืมอีกแล้วไม่เที่ยงยังก็ต้องไปแยกแยะดูเอาว่ามันเป็นอะไรกันแน่เป็นทางร่างกายหรือเป็นทางทางใจถ้าทางใจม ก, ก็ก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเสือ่อมวิธีจะจะป้อง ก, กันก็คือต้องขยันมีสติทำอะไรต้องคอยเนื้อเดถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ลืมครับ คุณมาริสาครับคนที่สูญเสียคู่ชีวิตบางคนทำใจไม่ได้แทบอยากตายตามไปด้วยเป็นเพราะอะไรครับเพราะตั้งหค้าอยากอยากอยากอยู่กับเขาอยากให้เขาอยู่กับเราเขาก็ไม่อยู่กับเราเราก็เศร้าเหงา ว, าว้าวไม่มีความสุขไ ม, ไม่มีความสุขก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ฆ่าตัวตายนายโคิงครับบอกพระอาจารย์ ช่วยให้ได้มหาสติในสามเดือนไหมครับผมบริการตรวจหลอดมืวันแล้วครับก็ไปบวชดูเสียงเราไปบวชดูไปอยู่ในป่ากคนเดียวไปฝึกสติสามเดือนดูไม่ใช่สตสติอย่างเงี้ยได้สติแล้วก็ต้องจะนั่งสมาธิให้จิตมองเป็นสมาธิได้สมาธิแล้วก็ต้องพิจารณาตายรักในฐานห้าพิจารณาว่ากายเวทนาจิตไม่ใช่ตัวเราของเรา คุณสมประสงค์ครับถ้าในชีวิตประจำวันสีลห้าบกพร่องแล้วเรางดอาหารเย็นนำมาเฉลี่ยให้ครบ5้าข้ออย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกสินขารสินมันบนแต่ละข้อมันเอามาเฉลี่ยกันไม่ได้ถ้าฝึกอารูปฌานควบคู่ไปกับการทำฌานสี่และวิภิปสนางอย่างนี้ดีไหมครับคืออารูปฌานนี้เข้ายากกว่าฌานสี่ ฉนั้นเอาแค่ฌานสี่ก็พอไม่มีความจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นระดับอรรประชาตต้องต้องได้ฌานสี่ก่อนถึงจะสามารถไปที่วิปัสสนาต่อไปได้แต่ไม่ได้ทาทีเดียวพร้อมกันช่วงแรกๆนี้ให้เข้าฌานสี่ให้ชํานาญกับเขาออกได้ตลอดเวลาที่ต้องการและได้อยู่ได้นานจนเจตนี้มีความสงบง่นานกระทั่งเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังมีความสงบมีอุเบกขาอยู่ ตอนนั้นก็ให้ดึงจิตมาพิจารณาอนิจจาทุกขังอนัตตามาพิจารณาความตายมาพิจารณาสุภพต่อไปก่อนเพื่อรับความอย่างความกลัวตายความอยากเสษ ร, รูปเสียงกลิ่นการอยากจะเศษกรรมกรพูดจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับพ่อแม่ที่มีลูกไม่ค่อยเห็นบุญคุณของพ่อแม่ไม่ตอบแทนพ่อแม่ควรทำยังไงครับก็าทาใจนะ ไปซื้อของมาแล้วซื้อของเสียมาไปซื้อรถมาแล้วได้รถที่ไม่ดีมาก็อยู่ที่เด่๋ยวนี้นรถบางเทีบริษัทก็ยังรับคืนได้แต่ลูกนี้ได้มาแล้วมันไม่ได้ไปคืนใครเนี่ย <c oughs> ลูกที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวตัวที่ตัวที่เป็นลูกเราคือร่างกายนี้มันมันไม่มีปัญหาอะไรครับอันตัวที่มีปัญหาก็คือดวงจิตดวงใจและดวงวิญญาณที่มา ที่มาครอบคร อ, องร่างกายในต่างที่เป็นตัวเป็นปัญหาตัวที่ไม่มีจิตสํำนึกที่ดีก็ตัวนี้แหละตัวจิตแต่เมื่อมันมาเข้าคร อ, องร่างกายของเราแล้วก็เราก็ต้องทําใจวิธีง่ายที่สุดที่เราจะทําใจถ้าที่ว่ามไม่ใช่ลูกของเราก็แล้วกันก็เป็นคนแปลกหน้ามาขอสายท้องเราอยู่ไปก็ให้มันอยู่ไปก็เลี้ยงมันไปแบบเลี้ยงขอทานไปก็ได้มันโตขึ้นมาก็เลี้ยงมันไปให้ให้มันอยู่ได้กินได้ให้มัน ช่วยตัวเองมันได้ก็เหมือนเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งไปก็แล้วกันเวลาเลี้ยงหมาแล้วก็ไม่ได้ไปหวังอะไจากหมามากใช่ไหมเลี้ยงด้วยความสงสารอ่ะมันยังเลี้ยงตัวมันเองไม่ได้ก็เลี้ยงมันไปก่อนพอมันโตแล้วเลี้ยงตัวมันเองได้ก็ปล่อยมันไปให้มันไปอยู่กินของมันไปส่วนมันจะเห็นบุญคุณอของเราหรือไม่เราก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เฉยๆเพราะเรารู้แต่ต้นแล้วว่าเราเลี้ยงไปเพื่อช่วยมันเท่านั้นเองช่วยให้มันอยู่ได้ให้มันช่วยตัวมันเองได้ ส่วนมันจะเห็นความสาคัญบุญคนข่งเราหรือไม่แล้วก็ไม่ไม่ถือเป็นประเด็นสําคัญเราถือว่าเป็นการทําบุญไปเราเลี้ยงเอาบุญเนี่ยมนบางคนก็บอกเลี้ยงเอาบุญเลี้ยงหมาเพื่อเอาบุญสงสารมันเหนมันจอดจัดไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารกินก็เอามาเลี้ยงมันใล้มันโตแล้วถ้าเกิดมันยันเดินออกจากบ้านไปไม่ไม่กลับมาก็ก็ปล่อยมันไปก็ดีใจแทนมันว่ามันอยากจะไปมีความเป็นอิสระอยากจะไปหาความสุขของมันเองก็ อนุโมทนาสาธตไปถ้าเราไม่ไปยึดติดกับคําว่าลูกท่านอย่างมันก็หมดปัญหาไปปัญหาคือเราหลงไปยึดติดกับคําว่าลูกมันอยู่ในท้องเราออกมาแล้วมันเป็นลูกของเรามันไม่ใช่หรอกร่างกายมันมันลูกมันครึ่งหนึ่งเป็นลูกของเราคือร่างกายแต่ร่างกายมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดผิดถูกดีชั่วมันไม่มีไอ้ตัวที่รู้นี่คือตัววิญญาณหรือดวงจิต ท, ที่มาครอบครองร่างกายนี่แหละไอ้ตัวนี้เราไม่รู้จักมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้ ดีไม่ดีอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวยรเราก็ได้แล้วเราจะมาเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวยรเราให้มันดีทําไมก็เลี้ยงมันให้พอมันอยู่ได้แล้วก็ถ้ามันไม่มาทำํำร้ายเราก็ถือว่าดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแต่อย่าไปหวังว่ามันจะต้องมาตอบแทนคุณคุณให้กับเราเลยอย่างใดว่ามันไม่มาฆ่าเราก็ดีใจแล้วลูกบางคนมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีเหใช่ไหม <idée> <ifi> ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็สบายใจเลยครับแต่เรื่องลูกนี่เป็นห่วงเยอะเราหนุ่มเขาไม่ได้มานหนุมกับเราเท่าไหร่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นอะไรจากคุณวันเพนครับบารมีสิทธิมีสามระดับผู้ปฏิบัติสังสมมติมีอยู่ในระดับต้นจะบรรลุพระโสดาบันได้ไหมครับไม่ทราบเลยนะว่าฉันมีสามระดับไม่เข้าใจความหมายมี่ระสามระดับอืม มันก็ต้องมีครบลอยถึงยังถึงจะบรรลุมากผลนิพพานได้อ๋อเหมือนกับเหมือนกับทานบา ร, รมีป ร, รมัดถาบา ร, รมีอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับอนี่เวลาบทสวดสามสิบทัดก็จะท่องไปสามรอบประมาณนึงกันนะครับคนชอบถามว่ามีสามระดับอยู่เรื่อยครับอุปทานบา ร, รมีปา ร, รมัดถอะไรอย่างเงี้ยครับจะบรรลุามากผลได้มันต้องได้ได้ขั้นปรามัดทั้งนั้นได้ขั้นสูงสุด ถือศีลแปเปิดพัดลมได้ไหมครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่เราเราอยากจะเข่งมากหรือเข่งน้อยถ้าเราอยากจะอยู่แบบไม่ไม่ไ ม, ม่เสษการอะไรก็ก็ไม่ต้องเปิดหเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าว่ามันความร้อมันอาจจะเป็นอุปสรรค ม, มากต่อการภาวนาะแล้วการเปิดเปิดเปิดพัดลมช่วยบรรเทาอุปสรรคนี้ได้ก็ก็ต้องใช้เหตุใช่ผลเนื่อง มีคุณช็อกโกบอกว่าวันนี้ไปทำบุญลงทางที่โรงพยาบาลรู้สึกอิ่มใจมากครับเห็นผู้คนมารับของกินนะทุ่มจ้ะให้ความสุขกับผู้นั้นความสุขนั้นก็กลับมาหาเราเองอันนี้แหละคือผลบุญความสุขใจคุณมาริสาครับการถือศีลแปดห้ามรับประทานอาหารหลังเที่ยงถ้ากินผลไม้นี่ผิดศีลไหมครับผลไม้ก็ยังถือว่าเป็นอาหารเหมือนกันนะจะจะ ผลไม้นี้ถ้าอยากจะกินต้องเดินมันต้องเอาแต่คั้นน้ําอย่างเดียวถ้าผลไมาต้องไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นส้มเนี่เอามาคั้นเหลื่อมได้แต่ข้ามกินเนื้อมันเวลาเวลาคั้นเสร็จแล้วมันถ้ายังมีเศษเนื้อติดอยู่ก็ต้องกรองออกด้วยกรองไม่ให้ไม่ให้มันติดอยู่ในน้ะให้มีแต่น้ําส้มนุ่มไม่มีเนื้อส้มติดอยู่อันนี้การอนุ ญ, ญาตให้เหลื่อได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว คุณเอกชัยครับถือศีล5บริสุทธิ์ครบทุกข้อสามารถปิดอบา ย, ยภูมิได้ไหมครับได้ถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่ได้ทํำบาปในเวลาตายไปก็ไม่มีบาปที่จะถึงไปไปอบายคุณอัญชนาครับบอกว่าถือศีลในชีวิตประจําวันจําเป็นต้องอารัธนาศีลก่อนทุกครั้งหรือไม่ถ้าตั้งใจถือโดยไม่อารัธนาเป็นการถือศีลหรือไม่ครับคําว่าอารัธนาคือความตั้งใจนี้ แต่ เ, เราทําทําเป็นพธิธีเป็นรูปแบบว่าอ๋อต้องอาราธนาต้องไวอยังพันเตติสลณเนนะอะไ น, นี้อันนี้มันเป็นพิธีกรรมแต่ตัวตัวอาราธนาจริงๆก็คือความตั้งใจใช่วันนี้วันพระจะรักษาศีลตลอดหนึ่งวันกันหนึ่งคืนเราตั้งใจแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็รักษาไปถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ไม่รักษาวันไหนที่เราไม่ตั้งใจรักษาเราก็ไม่รักษายังก็ต้องอาราธนาแต่อาราธนาแบบไม่ต้องเป็นรูป รูปแบบพิธีกรรมเราเพียงแต่ตั้งตั้งวัอธิษฐานในใจเราตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันพระจะขอรักษาศีลห้าหรือศีลแปดตลอดหนึ่งวันและหนึ่งคืนเพราะว่าไปแล้วก็รักษาไปท่านคุณนทักษพักครับสอบถามกรณีการอดอาหารครับตอนอดอาหารนี้ทานน้ําปานะแทนหรืออดอาหทั้งอาหารและน้ําเลยครับก็แล้วแต่ความเข้มข้นของเราว่าเราต้องการที่จะ ฝึกความอดทนอดกาันะสู้กับความอยากเนี่ยถ้าเราต้องการจะฝึกแบบเต็มร้อยเลยก็เอาเดินกับน้ําเปล่าอย่างเดียวไม่กินอาหารไม่กินอะไรแต่บางคนก็แบบว่าไม่ไม่เอาแบบเข้มขน้นบางคนก็ตอนบ่ายก็ดื่มน้ำปลานะาบ้างดื่มน้ําชากาแฟโกโ ก, โก้อะไรพวกนี้การพิจาราให้เห็นนะดื่มน้ํำพึ่งน้ําตาลได้ แต่ถ้าต้องการแบบเข้มข้นสมมติถ้าไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีของพวกนี้อยู่บินสบายจาาัรย่าจอยง่ายก็ก็ได้แต่ข้าวกลับมาถ้าไม่ไปบินสบายก็ไม่มีอะไรให้กินนอกจากน้ำเปล่าอันนี้ก็สําหรับพระที่เอาอย่างเข้มข้นที่ไปอยู่ปีกมิเวกอยู่ในป่าก็มักจะไม่กินอะไรเลยดื่มแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวพระอาจารย์ครับว่ตอนอยู่ป่านี่น้ำํำเขพาพระอาจารย์ พระป่าท่านได้น้ำจากไหนครับอาจารย์ลำห้วยไงลำห้วยลำธารถ้งมีแหล่งน้ำอะไรจะไปทุนงงจะไปปักกดอยู่ที่ไห น, นต้องดูว่าแหล่งน้ําอยู่ไกลไหมอันนี้เป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญขาดไม่ได้คือน้ําถ้าบางทีถ้าจะไม่มีจริงๆก็อย่างนั้นก็ต้องมีมีภาชนะเก็บน้ําไว้ให้ใช้ได้ชั่วคราวจนกว่าจะได้ไปไปที่มีแหล่งน้ําำจริงๆ แต่ส่วนใหญ่พระท่านจะต้องต้องอยู่อยู่ใกล้กับแหล่งอาหารแหล่งน้ำถึงแม้จะไปทดลองในป่าก็ต้องอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านของชาวป่าชาวเขาที่จะไปบินนบาตได้อย่างหลวงปู่มา่านนี่เขก็บินนบาตกับพวกชาวป่าชาวเขาแล้วแถวนั้นก็คงจะมีลาําธารลําุ้วยที่ท่านสามารถตักน้ำมาบบดื่มได้วิริยะกับสติอะไรสําคัญกว่ากันครับ มันก็ต้องอาศัาายซึ่งกันแล้วกันเหมือนกับเท้าซ้ายเท้าวขวายมีเท้าซ้ายไม่มีเท้าวขวามันก็เดินลำบากมันต้องมีทั้งสองเท้า <S <S ถ้ามีวิริยะ <S <S ไม่เจริญสติมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร <S <S มีความเพียรแต่ไม่เพียรเจริญสติมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามีถ้าอยากจะมีสติแต่มีไ ม, ไม่ไม่ทําความเพียรมันก็ไม่ได้ มันก็ต้องมีทำครบนะเหมือนเป็นส่วนประกอบของของของมรรคอะต้องมีเหมือนรถยนต์อะต้องมีล้ามีแต่เครื่องยนต์อย่างเดียวไม่มีล้อก็วิ่งไปไม่ได้มีล้อแต่ไม่มีเครื่องยนต์ก็ต้องเข็งไปเป็นภาระเปล่าคุณเอกชัยครับ การใส่บาทพระที่หน้าบ้านกับการใส่บาทออนไลน์โดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดจะมีอนุสงฆ์เท่ากันไหมครับเท่ากันปริมาณเงินที่เราทําบวชจากไว้ในได้บุญเท่ากันคุณวัฒสสนาครับศีลมีแบ่งหยาบละเอียดกายวาจาใจด้วยไหมครับกับผมเคยพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปในแต่ละข้อแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นการคิดมากไปเองหรือเปล่าขอพระอาจารย์เมตตาเพิ่มเติมครับแล้วก็ รู่สึกวมันไม่มีรายละเอียดอะไอย่างนะสีมันค่อนข้างจะชัดเจนแตคนจะไปแบ่งแยกอะไรอาจจะมีก็ได้นะผมอันนี้ไม่ทราบคุณประพัฒสอนครับปัจจุบันทํางานอยู่แล้วพบว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนไม่ดีชอบมินทาชอบให้เราทํางานแทนถ้าเราไม่ทําตามเขาก็แบนเราเป็นแบบนี้ทั้งกลุ่มเราจะทำยังไงดีครับ ก็ทั้องอยู่กับเขาก็ต้องทำํำใจยอมรับกับการกระทำํำของเขาถ้าเรไม่รับการกระทําของเขาไม่ได้เราก็ย้ายที่ทํางานไปหาที่เราหาที่ใหม่ทําคุณวีเฮลครับเรารักแฟนแต่ถ้าเราไม่อยากอยู่ร่วมกับแฟนแล้วเราจะกลายเป็นคนที่รังเกียจไม่ยอมรับผู้อื่นหรือเปล่าครับหรือเราจะเจริญอสุภะได้ดีแล้วครับก็ยอยู่ที่ว่าเรารังเกียจเขาเพราะอะไร ถ้ารเราคิดเราสังเกตก็ตามความเป็นจริงมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายอย่าง่นเขาเป็นคนไม่ดีคนทุบตีภรรยาคนกินเหล้าเมาชอบทุบตีภรรยาไม่ชอบฐานเงินของครอบครัวเงินไปเล่นการพนันซะหมดไปเที่ยวผู้หญิงข้างนอกบ้านอย่างนี้ถ้าไม่ดีแบบนี้เราจะอยู่กับเขาทำไมนั่นก็อยู่ที่เหตุว่าเราเราสังเกตเขาเพราะอะไร แต่ถ้ารำเกลียดเขาเพราะเขาเป็นคนยากจนมาจากครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยแต่เขาเป็นคนดีอ<ม>่ะแล้วอย่างเงี้มันอย่างนี้ก็เป็นกิเลสได้คุณนานาครับหนูชอบหลุดคิวเวลาเจออะไรหรือได้อะไรที่ดีแล้วเผลอนึกว่าโชคดีจังจริงๆแล้วสิ่งต่างๆล้วนเกิดจากเหตุแม้กระทั่งสมมุติว่าเราป่วยเป็นมะเร็งเราก็ควรคิดและเตือนตัวเองเสมอว่ามีเหตุมีปัจจัยแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ไม่ได้เกิดจากชาติก่อนหรือชาติใดๆโดนบันดาลให้เป็นไปครับเพราะว่าเหตุปัจจัยนี้มันมีทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติที่มีมีผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้แต่มันเนสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปงนงับมันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมันไว้แล้วเอถึงเวลามันก็แสดงผลได้ถึงที่เราควรจะทําก็คือยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นกับเราก็แล้วมันอย่าไปทุกข์กับมัน คุณสมบูรณ์ครับทําวัดชาวัดเย็นโดยสวดมนต์ด้วยตนเองได้บุญไหมครับก็ได้บ้างได้ได้บ้างไม่ได้มากก็ขึ้นอยู่ว่าเราสวดแล้วจิตเราสงบมากน้อยเท่าไหรถ้าสงบมากก็ได้บุญมากถ้าสงบน้อยก็ได้บุญน้อยถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญเลยถ้าสวดกับไม่สวดมีผลเท่ากันก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ผลเลยจากการสวดของเรา คุณไพศาลครับความกระตันอยู่อยู่ในมัดไหมครับหรืออยู่ในฐานครับมันอยู่ในจิตสํานึกมากกว่ามันสัมมาทิฏฐิจะว่าอยู่ในมัด ก, ก็ไนดะ้คนที่มีสัมมาทิฏฐิจะรู้บุญคุณของผู้คุณสติครับถ้าเห็นอดีตชาติจะนํามาเป็นอารมณ์พิจารณาอย่างไรต่อไปให้รู้แจ้งเกิดปัญญาธรรมครับไม่ไม่มีความไม่มีประโยชน์อะไรเลยเกี่ยวกับอดีตชาติที่จะมานําเพื่อให้แจ้ง ทางทางทางปัญญาเป็นแต่ว่าจะเป็นเคื่อเตือนว่าเนี้ยรักชาติการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงนะถ้าเราไม่รีบปฏิบัติให้ตัดภพตัดชาติเดี๋ยวตายไปเราก็ต้องไปเกิดมาอีกนะแต่เรื่องของการที่จะเจริญมรรคที่มันไม่เกี่ยวกับการเห็นอดีตชาติหรือไม่เห็นนะคุณอุ้ครับ อาทิตย์ที่แล้วตัดหญา้าหน้าบ้านมีกบอยู่ใต้ต้นหญา้าใบมีดไปโดนกบขาดสองท่อนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแบบนี้บาปไหมครับวันนู้ขึ้นก็ไปทําบุญให้กบครับไม่บาปหรอกถ้าเราไม่มีเจตนานไม่รู้เขาเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอุบัติเหตุเป็นเหมือนถ้าเราเขับรถไปรถชนนั่งวิ่งตังหดหน้ารถเราอย่างเงี้ยรถชนมันตายอย่างเี้ก็ไม่บาปเป็นเรื่องของสุดวิสัยเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ ขับรถไปคนฝ่ายหนึ่งขับรถเมาแล้วข้ามข้ามฟ้ามาชนเราทำให้เร า, าตายอันนี้เขาก็ไม่บาเปเหมือนกันแต่เราตายรเราอาจจะโกรธเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาต่ อ, อยนี่ใช่ไหมครับอาาคงไม่มีเวลาโกรธนะัก <c oughs> ง, ง่านถ้าเกิดว่าทะเอเนี่ยไม่จะไปโกรธใครใช่ไหม <c oughs> ในสมัยพุทธกาลคารวะที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์มีน้อยใช่ไหมครับถ้าผมหวังพระอาหารหันต์ในชาตินี้ถือว่าคาดหวังเกินไปไหมครับอาจารย์มันก็ไม่มีใครไปเก็บสถิติไว้ว่ามีนักบวชเท่าไหร่มีคารวะเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปเนี่ยมันผู้ที่เป็นนักบวชนี่เป็นอาหารหันต์มากกว่าผู้เป็นคารวะเพราะคารวะนี้โอกาสที่จะบรรลุได้มันยากกว่า สภาพบ้านๆล้อมมันไม่เอึ้อเท่ากับการเป็นนักบวชเหมือนคนที่ขับรถขึ้นทางด่วนกับคนที่ขับรถอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ ย, ยไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันนี้ชา้าเร็วต่างกันมากใช่ไหมถ้าขึ้นทางด่วนนี้ไปปุ๊บเดียวว่าถึงถ้าขับอยู่ใต้ทางด่วนนี้เป็ดนู่นเด็ดนี่ไปกว่าจะไปถึงก็บางทีก็เลื่อนไปแล้วไม่ราจะไปไหน คุณมาลิสาครับบอกว่าที่ไต้หวันมีรับสมัครบวชเป็นพระมีเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นเหรียญแต่คนที่บวชมีน้อยและต้องมีความอดทนเพราะลําบากกว่างานปกติต้องสวดมนต์ทำสมาธิและให้อุปกรณ์ในกิจของพระนักบวชอยากฟังความเห็นพระอาจารย์ในเรื่องนี้เพราะการเป็นพระหรือนักบวชต้องมีความอดทนครับใช่น้นต้องบวชด้วยความสมัครใจและไม่ได้บวชเพิ่มเงินเดือนบวชเพื่อหุดท้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าถ้าบวชเพื่อกินเงินเดือนเป็นอาชีพมันก็เหมือนกับไปทํางานกับบริษัทนั้นบริษัทนี้ท่านัเองคุณพิชณุ บ, บอกว่าสวดมนต์ในรถผิดไหมครับไม่ผิดหรอกสวดที่ไหนก็ได้ไม่แต่ในะห้องน้ำส่วนได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้อรู้จักการลเทสะถ้าเราสวดในใจก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเราสวด แต่ถ้าเราสวดออกเสียงเาก็จะมีถือกฎกติกาว่าต้องอยู่หน้าพระต้องอยู่ในท่าสำรวมอะไรต่างๆเหลานี้แต่ถ้าเราสวดในใจนี่สวดได้ทุกแห่งเพราะการสวดนมันถือว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมการจมลนสติเป็นการทําใจให้สงบมันสามารถทําได้แม้กระทั่งอยู่ในห้องน้ํา <c oughs> คุณปียพรครับ ตั้งใจถือศีลแปดแต่เนื่องด้วยต้องทํางานต้องมีการแต่งหน้าและใช้เครื่องหอมไม่ทราบว่าจะสามารถถือมากกว่าศีลห้าได้ไหมครับถือศีลเจ็ดก็ได้เนี่ยข้อไหนที่เรายัางรักษาไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนคุณเมย์ครับต้นไม้ต้นใหญ่จะมีเทวดาหรือวิญ ญ, ญาณอาศัยอยู่จริงไหมครับแล้วถ้าเราตัดต้นไม้จะถือว่าบาปไหมครับนั่นไนความเชื่อซึ่งความจริงครับเทวดาก็ไม่ได้อาศัยต้นไม้อยู่หรอก เขอยู่ในโลกทิพยทีแต่ไม่ทราบพรามีความเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่มีเทวดาเพวกเขาเรียกว่าลู ก, ลกขลดเทวดาพวกพวกนี้อาจจะเป็นเทวดาที่อยู่ตามป่าตามเขาคุณอ้นครับความรักความสุขถือว่าเป็นกิเลสไหมครับความรักอันนี้ก็คือความยินดีถ้ายินดีใน ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็ทุกก็เป็นกิเลสถ้ายมีในสิ่งที่เป็นมรรคผลนิพพานก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นมรรคถ้ารับความสุขจากพระนิพพานรับความสุขจากการบรรลุจากการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสคุณสติครับบอกว่าไม่เคยล่วงเกินผู้อื่นทางกายวาจาแต่ในฝันยังต่อยคนอื่นเพราะความโกรธแบบนี้สีดังพ้อยไหมครับ ที่ไม่ดังเพราะเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของอดีตที่เราเคยทํามาแล้วมันยังฝังอยู่ในใจเราอยู่คุณแนนนี่ครับการดูแลบุพการีให้อยู่ดีมีสุขคือเป็นบุญด้านไหนครับก็เป็นการทําทานเป็นการอุปธรรมอุปทานรับใช้ผู้บุญที่เกิดจากการดูแลรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ทํา คุณวัฒนาครับผมรักษาสินแปดได้ด้วยดีมาตลอดตั้งแต่เข้าพรรษาและใจเป็นสุขทุกครั้งที่นึกถึงข้อมัดใจที่อาจารย์ให้คิดจะบวชอย่าคิดศึกคิดจะไปอย่าคิดมาเนาะกับขอข้อมัดใจให้ชุ่มเย็นเป็นสุขตลอดการด้วยครับก็เป็นสุขอยู่แล้วนี่ก็รักษาต่อไปสิมันเราสุขอย่า ง, งานี้ก็ทําต่อไปรักษาสินแปดนะก็รักษาต่อไปถ้าอยากให้สุขมากกว่านี้ก็ต้องภาวนาต่อ ถินแปดเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นของความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธินะรพอได้ความสุกระดับสมาธิแล้วก็ไปสร้างความสุขทางระดับปัญญาต่อไปคุณซีดครับต้องปฏิบัติถึงขั้นใดจึงจะเห็นประโยชน์และโทษของการถือสีลครับ <c oughs> ก็ท่านของพระโสดาบัน ตาสว่างตาบันจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าผู้ที่ทำํำบาปหรือไม่ทําบาปก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปได้อย่างไดผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจที่เป็นที่เป็นมนุษย์ร่างผลไม่มีรูปร่างหน้าตาอาจจะต้องไปสุขไปทุกข์กับผลบุญผล บ, บาปที่ตนเองได้ทําไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ี่ย คุณสมบูรณ์บอกว่านอนห้องแอร์ผิดศีลแปดไหมครับอันนี้ก็ไม่สมัยก่อนไม่มีไม่มีห้องแอร์ไม่มีแอร์ก็คือถ้าเราถือเพราะเราอยากจะมีความสุขจากการเสพสัมผัสทำพทุพทธภาณอันนี้ก็ถือว่ามันก็ผิดคุณสีครับ ถ้าเราเป็นครอคนชอบนั่งสมาธิแต่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ถึงกับได้ชาญแต่เกิดอุบัติเหตุกระทานหันตายซะก่อนสามารถกำหนดจิตไปนั่งสมาธิต่อในภพภูมิต่อไปอย่างนี้ได้ไหมครับเราเคยทําอะไรมาตอบเวลาเราตายไปแล้วเราไปเกิดใหม่แล้วก็ไปทําต่อทําที่เรายังเราทำอะไรได้เราก็ไปทําต่อได้ คุณวชรพรครับการใส่บาตรและอุทิศส่วนกุศลโดยการกรวดน้ําอยากทราบว่าผู้ตายได้รับบุญไหมครับก็อยู่ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนตายไปแล้วไปสุกติแล้วไปทุกติถ้าไปสุกติก็ไม่มาไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเพราะมีบุญมากมีบุญติดตัวไปมากทําบุญไว้มากส่วนผู้ที่จะมารับส่วนบุญนี่ก็เป็นพวกพวกเป๋นเง่งพวกที่โลภหิวอยากได้มากมา กิน ท, ทำบาปไม่คิดทำบุญเลยเสียดายเงินพวกนี้พออยากจะได้ก็ไม่อยากจะเสียกันขาะเป็นมนุษย์ก็เลยจะไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองอย่างได้พวกนี้เราจะเป็นพวกที่หิวบุญต้องมาเพิ่งบุญของคนที่มีชีวิตอยู่คุณขวัญครับทำอย่างไรถึงจะนั่งสมาธิแล้วตัวไม่โยกแยกพยายามมีสติกับตัวแล้วข อ, ขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับ ก็สติยางน้อยไปนะก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นไปคุณเกวลินครับปฏิบัติจนเห็นความคิดเกิดดับช่วงนี้ใจไม่ค่อยไหลจะมีความรู้สึกตัวตลอดอยากจะทำวิปัสสนาต้องขอคําแนะนําครับยังไม่ถึงเวลาหรอกทำเจ็ดให้ให้ให้ความคิดหยุดไปนานๆก่อนไม่ใช่เห็นแต่เกิดดับเกิดดับนี่ไม่ยังไม่มีประโยชน์อะไรต้องต้องเห็นว่าความคิดหยุด แล้วหยุดได้นานนิ่งเฉยมีความสุขอยากการหยุดความคิดนี้ทําให้ได้ขั้นนี้ก่อนแล้วค่อยไปทํำวิปัสสนาต่อไปกลุ่มวัฒนาครับมดเล็กชอบอยู่ในถังข้าวสารเคาะก็ไม่ออกล้างข้าวเลยมดไรก็ตายอย่างนี้บาปไหมครับถ้าเรามีเจตนาที่จะทําให้มันตายก็บาปนะถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่บาป คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับทําไมพุทธศาสนาถึงห้ามสงสัยครับคือความสงสัยแล้วทําในสิ่งที่เราสงสัยนี่ถึงแม้มันจะไม่ผิดมันก็ไม่ถูกเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกเนื่องจาเราสงสัยอย่าไปทําดีกว่าเพราะถ้ามันผิดเราก็จะมันก็จะทําให้เร า, เ, าเกิดโทษกับเรางจากก่อนจะทําอะไรต้องให้นุ่แ น, น่ใจก่อนว่าถูกหรือผิดแล้วค่อยทําไป ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปทำดีกว่าเพื่อความปลอดภัยคุณไอวอรี่ครับเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงอย่างนี้บาปไหมครับมันก็เป็นบาปมันมันก็เป็นแบบแบบ ไ, ดได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ล้วก็ได้บุญแต่การขังไว้ก็เหมือนกับเป็นการทำาให้เขาทุกขเ์เพราะเขาก็อยากจะมีสละภาพใช่ไหถ้าเราไปถูกจับขังในคุกนี่เป็นยังไงเรายัรู้สึกยางไร ถ้าจะเลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงแบบเปิดเแบบไม่มีไม่มีปลงไม่มีที่ขังให้เขาปล่อยให้เขาเป็นอิสระก็จะจะอยู่ก็ได้อยากจะไปก็ได้ถ้าเขาอยู่เขามาเราก็เลี้ยงเขาถ้าเขาไปก็ปล่อยเขาไปอย่างนี้ถึงนัเรียกว่ได้บุญไม่บาปแต่เราเลี้ยงเขาแล้วเรากักขังเขาไว้มันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาป คุณเอกชัยครับศี่ห้ากับศี่แปดและกุศลกรรมบทสิบมีอ น, นิสงส์ต่างกันอย่างไรครับมันก็คล้ายๆกันเนอะคือกุศลรบทก็คือการทําความดีสิทธิประกันซึ่งแ บ, บ่งเป็นสามส่วนทางกายทางวาจาและทางใจทางกายกับวาจาก็คือสี่ห้านี่เช่นทางกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณี้ทางวาจาก็ไม่พูดอ ไม่พูดปดแล้วก็ไม่พูดคำหยาไม่พูดเพจเจอไม่พูดสาเสียนชวนสองบททางใจก็มีอยู่สามข้อก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคุณทาวันนี้ครับผมพยายามทำจิตเข้ามาอยู่ในใจแต่จิตมักไปเรื่อยเปื่อยแล้วจะมีวิธีทำให้จิตเข้ามาอยู่ในใจไหมครับก็ใช้พุโทโธใช้การฝึกสตินี่ เวลากำพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดใจคิดใจก็มันก็ออกไปจากใจพอหยุดคิดมันก็กลับเข้ามา ใ, ใจคุณประชาะครับทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะทาให้มีความสุขได้รับวิบากกรรมดีและจิตใจที่สูงขึ้นบริสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่ก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขั้นสูงสุดก็จะได้ ไปถึงพันธิบานไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดกต่อไปคุณไตาตาครับผลิตและจําหน่ายเบียร์ผิดสีไหมครับไม่ผิดสีเนีการจะผิดสีต้องดื่มสุรายาเมาการผลิตนี้ถือว่ารับขายนี้เป็นถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ควรไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นสัมมาชีพเพราะเป็นการ ส, งส่งเสัยว่าผู้อนเขาเดื่มสุรายาเมา ให้เขาเกิดอาการเหมือนเราแล้วก็อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นต่อไปได้คุณอมพรครับดิฉันมีกรรมมากเพราะย้อนกลับไปเมื่ออดีตเป็นคนอารมณ์โกรธง่ายเอาแต่ใจตัวเองลูกเถียงเสียงดังใส่เราบางครั้งก็ไม่พูดด้วยประมาณสองปีที่ผ่านมาสวดมนต์เช้าเย็นฟังธรรมใส่บาต ท, ทุกวันพระกรรมจะหมดในชาตินี้ไหมครับไม่รู้กรรมที่เราไปประมาณไม่ได้มันเป็นอดติต มันไม่อยู่ในความสามารถของเราที่จะไปไปไปศึกษาหรือไปกําหนดว่ามันจะหมดหรือไม่หมดได้ก็ต้องให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงมันจะหมดก็หมดมไม่หมดก็ต้องรับครับับไปเรื่อยๆคุณครองสติครับในวัยเด็กถูกแม่ใช้ให้ฆ่าไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อทําอาหารดํำรงชีวิตโดยเราเองก็ไม่มีเจตนาอย่างนี้เราผิดศีลไปแล้วจะเป็นกรรมที่เราชดใช้สัตว์ที่เราฆ่าด้วยใช่ไหมครับ ใช่แล้วเพราเราก็เราก็ได้กระทําเวลาเรากระทำเราก็ต้องมีเจตนาที่จะทาให้เขาตายคุณนรินโชธครับการมีเมตตาอริยสัจสี่กับการแผ่เมตตาต่างกันอย่างไรครับออรียสัจสี่นี้คือปัญญาความรู้รู้เหตุผลของความทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากความอยาก น่ารู้เหตุผลของการทําให้ความทุกขห์หายไปก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้คืออริยสัจ ส, สี่ส่วนการมีเมตตาหรือแผ่เมตตานี้ก็คือความมีปรารถนาดีต่อผู้เวลาแผ่เมตตาก็ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวดเช่นเจอใครก็มีขนมนมาฝากเขายัางงี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาให้เขาให้เขามีความสุขมีความปรารถนาดีกับเขา ถ้าเขาทาให้เราโกรธล้วก็ให้อภัยเขาไ ม, ไม่ไม่อาคติพยาบามอันนี้คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำํำจะแผ่ได้ก็ต้องมีเมตตาก่อนเรามีเมตต า, าไหมเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นหรือไม่ถ้าเรายังเกลียดชังคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีเมตตาเราต้องหาวิธีพยายามสร้างาระงับความเกลียดชังแล้วให้มีแต่ความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้ คุณเปิ้ลครับมีสติในชีวิตประจํำวันคืออะไรครับก็คือการควบคุมความคิดไม่ให้ใจลอยไปกับอดีตนะครับกให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่าง ก, กายคุณไลท์เรนครับปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเรียนถามว่าปฏิเวทคืออะไรครับคือการรู้ผลการบรรลุ ม, ลกมากผลไม่ผ่านปฏิบัติแล้วก็ต้องก็ต้องได้ผล ผลจะก็จะตามมาการปฏิบัติเป็นเหตุพอปฏิบัติแล้วผลที่ก็จะตามมาเหมือนกับการศึกษาเรียนหนังสือเรียนหสือพอเรียนจบก็จะได้ได้ปริญญาพอสอบผ่านเวลาปริญญาเนี่ยก็คือการเรียนปฏิบัติก็คือการทําข้อสอบสมัยก่อนจะจบได้ต้องทําข้อสอบต่างๆก่อนใช่ไหมอ่คร <fac> ับมาทำถ้าสอบผ่านก็ ก็ปฏิเวทก็บรรลุถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบใหมค่คุณสุดท้ายครับดิฉันจะถามว่าถ้าไม่สวดมนต์นั่งสมาธิเลยนี้ได้ไหมครับได้ถ้านั่งได้เลยไม่ต้องสวดก็ได้เหตุที่คนต้องสวดมนต์กันเพราะว่านั่งสมาธิเลยไม่ได้นั่งแล้วฟุ้งซ่านจิตไม่ยอมหยุดคิดก็เลยใช้การสวดมนต์มากลอมใจให้หยุดคิดก่อนให้บ ให้ามพุ่งสร้างน้อยลงไปก่อนพอสามารถควบคุมใจให้อยู่กับการนั่งสมาธิได้ก็ค่อยหยุดส่วนแล้วก็นั่งสมาธิต่อคุณปใบยศครับลูกนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงประมาณสิบห้านาทีสงบมากๆและรวมคือสภาวะที่ปวดขาเท่าที่ลูกรู้คือมีแต่การรับรู้ความปวดคือน้อยมากแทบไม่มีผลหรือต้องหายไปเลยครับ มันนี้ก็ไม่แน่บางทีมันก็หายไปเลยก็มีบางทีมันไม่หายแต่ใจเราไม่เดือดร้อนกับมันก็ใช้ได้คุณวินวาครับบางคนพอเจอหน้าแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาเวลามาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกไม่ค่อยดีอึดอัดใจไม่ชอบใจอยากทราบว่าจะวางใจอย่างไรดีไม่ให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ครับออก็ต้องพยายามฝึกสติให้จิต น, นิ่งๆเฉยๆอย่าไปมีปฏิกิริยา มักสติทั้งนั้งสมาทิใหจิตไม่โอเบิดกก็จะวางเฉยได้คุณประชาครับสนาพุทธยากเพราะต้องศึกษามีสติมีปัญญาและปฏิบัติเองใช้แต่ความเชื่อและทำตามจะไม่ได้ผลอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ความเชื่ออย่างเดียวก็ยังไม่ทำให้เกิดผลาออาด ก, กผลารเชื่อนี้ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ ตามคำสอนเมื่อได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็จะได้ผลตามมาต่อไปคุณโกครับถ้าเราทําพินัยกรรมไว้แบ่งเป็นส่วนแล้วตอนเราตายไปเราจะได้บุญไหมครับเพราะเราได้ทิ้งไว้ให้คนข้างหลังครับไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ทิ้งเราจะทิ้งเงินต้องทิ้งตอนก่อนที่เราตายเราจะได้รู้ว่าเราทิ้งเงินนี้ไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราแล้วเราถึงจะได้บุญ ได้ความสุขใจแต่ถ้าเราทําไว้แล้วเวลาเราตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินที่เราทิ้งไว้นี้ไปไปตกอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรเพราะเรายังไม่ทิ้งอ่ะตอนที่เราตายใจก็ยัจ่เรายังไม่มีโอกาสได้ทิ้งยั้ไงครับเพราะเราไม่รู้จะตายกันเมื่อไหร่ครับพอจะตายแล้วม า, วาขอค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาไปทิ้งสมบัติก่อนได้ไหมแล้วค่อยตายไม่ได้หรอกถ้าอยากจะทิ้งสมบัติก็ทิ้งก่อ น, ท, อนที่เราจะตาย ก็เก็บไว้ส่วนที่เราจำเป็นจะต้องมีส่วนที่ไม่มีความจําเป็นก็ยกให้คนอื่นเข้าไปมันก็หมดเร็วคุณสง่าครับบอกว่าฟังธรรมะได้บุญไหมครับถ้าจิตสงบก็ได้บุญถ้าจิตได้ได้ปัญญาก็ได้บุญคุณวีเฮลที่ถามเมื่อกี้ครับบอกว่าที่รังเกียจแฟนหมายถึงว่าเรารังเกียจที่ร่างกายเขาครับทั้งที่เขาเป็นคนดีสะอาดครับ อันนี้มันก็มันก็เป็นความจริงร่างกายของเขาก็สกปกนะคุณไม่ได้แป่าเข้ามาทำงานถ้าคุณเห็นว่าเขาหน้ารังเกียจตอนที่คุณเอาเข้ามานี่คุณไม่ได้ดูว่าร่างกายเขาหน้ารังเกียจใช่ไหมถ้าเห็นแต่เมื่อต้อยกับองอยไม่เอาเข้ามาเป็นแฟนใช่ไหมบูนและบารมี the same thing why these words always used together ครับ Uh, because b u d d means the good karma, balami means the, b u d h balami a n g a g Anivuliyatap, they usually are appear together, b u n d a balami. ส่วนบาปนี้มักจะแพ้วิดกรรมบาปกรรมคุณเขียวครับถ้าเราไม่อยากเกิดอีกต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจ น, นาความอยากต่างๆที่มีในใจเราหมดสิ้นไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป คุณอำพรครับลูกให้เงินเดือนแม่แต่แม่เป็นคนเอาไปร่วมบุญวัดต่างๆอย่างนี้ลูกได้บุญจากเงินนี้ไหมครับอ๋อลูกได้บุญตั้งแต่ให้แม่ไปแล้วส่วนแม่จะไปทำอะไรนะไั้นไม่เกี่ยวกับเราแล้วไม่ใช่เป็นของเราแล้วคุณสิริวิทย์บอกว่าธรรมะพระอาจารย์ฟังเข้าใจง่ายมากทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติแต่ทำไมหลายๆคนฟังแล้วสาธุแล้วออกไปหาลาบยศสรรเสริญเหมือนเดิมครับ ก็ยังยังไม่เข้าใจเรื่องซึ่งพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการกระทาคุณใบ ย, ยกครับนั่งจนสงบรวมเสียงดังใดๆก็ไม่สามารถําทลายสภาวะสงบนั้นได้อย่างนี้ลูกปฏิบัติถูกทางแล้วใช่ไหมครับใช่ถ้าจิตนิ่งเฉยไม่มีไม่มีการปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆก็ถือว่าได้ความสงบ คุณสิทธิวิทย์ครับพระธรรมพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์เทศทางออนไลน์ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไปฟังแต่ยังคิดว่าจะสร้างบา ร, รมีต่อไปไม่เร่งในชาตินี้อย่างนี้ถือว่าประมาทในชีวิตไหมครับถ้าไม่ทําไม่ปฏิบัติก็ถือว่าประมาทนะคุณประชาครับถ้าเผลอฆ่าสัตว์แบบไม่เจตนาแล้วไม่บาปแต่ถ้าเกิดการไม่เจตนาฆ่าเป็นประจําจนเป็นแบบ ไม่มีเจตนาไม่ฆ่าไม่สนใจชีวิตอื่นกรณีแบบนี้จะได้มีบาปกรับไม่ดีเป็นบาปไหมครับมันไปไม่ได้หรอกที่ไม่มีเจตนาดบบนั้นอืไม่มีเจตนาก็ต้องเกิดเป็นสิ่งสุดวิสัยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแต่มันเกิดขึ้นเช่นเดินไปแล้วมองไม่เห็นมดแล้เหยียบมันตายเนี้ยมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องที่ไม่มีความตั้งใจ คุณสราวุธครับรู้สึกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำธรรมมีความวิตกกังวลใจคิดอยู่ตลอดกังวลกลัวของหายบ้างมีความไม่สบายใจจะทํายังไงจึงจะหายจากอาการนี้ครับก็คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับเป็นธรรมดาได้มาแล้วก็ต้องมีการเสียไปไม่ใช่ประเด็นต้องยอมรับความจริงคิดถึงความจริงบ่อยๆมันยิจะทําให้เรายอมรับความจริงแล้วเราก็จะหายหกังวลได้ยอมยอมให้มันเกิดขึ้น คุณพักครับตอนนี้รู้สึกว่าเสพติดการตัดบาทอย่างนี้เป็นกิเลสไหมครับไม่เราเป็นวนเป็นกุศลเป็นธรรมะเพราะว่ามันทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาแล้วทําให้เราตัดกิเลสได้คือความตระหนี่ความห่วงในทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทอง้ทําให้เรามีความเมตตาต่อผู้มีความปรารถนาดีต่อผู้ คุณปิยวุฒิบอกว่าถ้าจะไปปฏิบัติบนเขาชีโอนได้ไหมครับต้องทําอย่างไรครับก็ต้องไปศึกษาดูบา้างจะไปปฏิบัติได้หรือเปล่าก็ลองวัดไปดูไปขออากาศดูว่าเขาอยู่กันยังไงทำอยางไนอย่างไรอ่าคิดว่าทำได้ก็ขออนุ ญ, ญาตกับพระท่านถ้ามีที่ว่างท่านก็จางอนุ ญ, ญาตให้อยู่ได้คุณนานาครับเวลานั่งสมาธินานจนปวดขาเราขยับตัวได้ใช่ไหมครับแต่มันหลุด โอ้ยครับหนูพยายามรู้ตัวว่าเวลาขยับเวลาปวดแล้วนั่งต่อกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแบบนี้ถูกไหมครับกอสอบตกเท่านั้นถ้าเราขยับก็แสดงว่าเราไม่ผ่านข้อสอบข้อสอบของเร า, าคือการอยู่กับทุกข์ก็ไว่ทนนานให้ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราแสดงว่าเราสอบตกในข้อนี้คุณปิยะชโยครับทําไมบ้างที่สอนหลักการปฏิบัติเริ่มต้นที่วิปัสสนาเลยครับถูก ต้องตามหลักการปฏิบัติไหมครับก็พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนใเริ่มตอนที่ทานศีลภาวนาค่อยไปวิบัติศาในขั้นสุดท้ายคุณโรสครับตอนนี้ได้ฝึกหัดสมาธิโดยการฟังพระอาจารย์ไปพร้อมๆกับรู้สึกถึงการหายใจทำแบบนี้ถูกไหมครับขอคนแนะนำครับเพะถ้าจะฝึกสมาธิด้วยการฟัง่าฟังอย่างเดียวอยาไปดูลมหายใจ ถ้าถ้าอยากจะดูลมหายใจก็อย่าไปฟังเพราะสองอย่างมันอาจจ ะ, ะขัดกันก็ได้ทำให้ใจเราวิ่งไปวิ่งมาระหว่างลมหายใจกับเสียงที่เราฟังอยู่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากจะใช้การฟังธรรมเป็นการฝึกสมาธิก็ฟังธรรมอย่างเดียวไม่ต้องดูลมหายใจ คุณชัยนาครับถ้าเราเคยผิดศีลเกิดบาปขึ้นเลยใช่ไหมครับแบบไม่ได้ตั้งใจหรือแบบตั้งใจก็ตามนั้นส่งผลที่ตามมาอย่างไรบ้างครับถ้าทำบาปด้วยความตั้งใจมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ถ้าเราทำบาปโดยที่เราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจมันก็จะรู้จักเฉยๆได้เพราะเราไม่มีแม่มีเจตนา คุณลิทาครับอยากนั่งสมาธิเริ่มต้นอย่างไรครับเริ่มต้นในการฝึกสติก่อนต้องพยายามฝึกสติควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้จัดคิดเรื่อยไปจะใช้คําบาลีคำพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้เช่นลืมตาตื่นขึ้นมานยืมตาตอนเช้าก็เริ่มบาลีคำพุโทโธพุโทโธไปภายในใจในขณะที่ไปทําภารกิจส่วนตัวเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปนี่ก็เป็นการควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราควบคุมควาขึ้นได้เราเวลานั่งสมาธิแล้วก็นั่งแล้วก็พุโทโธต่อไปนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปนั่งไปยังกว่าจิตจะสงบนิ่งเราวพอว่าจิตสงบนิ่งการใช้พุโทโธก็หยุดไปได้คุณทีครับเวลาทําบุญทําทานเราควรอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรถูกไหมครับไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่เวลาทําบุญทําทานนี้ อาจจะอุทิศให้กับผู้ที่มาขอบุญถ้าไม่มีผู้มาขอบุญเราก็จะอยากจะอุทิศก็อุทิให้กับดวงวิญญาณที่เขาอยากจะได้บุญก็ได้แต่เขาไม่ได้มาขอเราเพราะเราไม่รู้จักเขาส่วนใหญ่ดวงวิญญาณที่รู้จักกับเราถ้าเขาต้องการบุญเขาจะมาเข้าฝันเรานะมามาปรากฏในสมาธิมาคุยกับเราว่าตอนนี้เดือดร้อนนักการช่วยส่งบุญมาให้หน่อยเราก็ทําอุทญให้เขา แต่โดยธรรมเนียมแล้วี๋ยวนี้เราก็มักจะทําทําไปพร้อมๆกันทำบุญแล้วก็ อ, อุทิศไปเผื่อไว้ถ้ามีใครมาขอบุญก็จ ะ, ะให้เขาไปคุณเข็มจีลาครับเมื่อก่อนคิดมากกลัวคนอื่นไม่รักไม่ชอบทําให้เกิดความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแย้งใจเหล่านี้รู้ว่ามันทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองแบบไม่แคร์ใครเหมือนก่อนวางเฉยเสียแบบนี้เรียกว่าใจเราเข้าสู่ธรรมะได้ไหมครับ ก็ขึ้นอยู่เขาไม่แคร์มาคำว่าอย่างไรคำว่าไม่แคร์ก็คือไม่ไม่ไปปรารถนาที่อยากจะได้อะไรจากใครนึ่นก็โอเคไม่รำคาญให้เขารักเราชอบเราหรืออะไรกับเราไม่อันนี้ก็ก็ถูกอย่าไปมีความอยากให้เขาชอบเรารักเราแต่คำว่าไม่แคร์ก็คือไม่มีความเมตตาต่อกันนั่นนี้ก็ผิดเราก็ยังต้องมีความเมตตาต่อกันอยู่ถึงแม้เขาจะไม่ชอบเราแต่เราก็ไม่เราก็ต้องไม่ไปเกลียดเขา มันต้องเป็นขาเมตตาต่อสรรัตว์ปรัทั้งผู้ที่รักเราและวผู้ที่เกลียดเราคุณนีนครับขี่ม้าบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่หน้นา จ, จะเป็นการทรมานสัตว์อย่างหนึ่งคือถ้าใครมาขี่เราเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างมองน้อกจับมาที่ตัวเราก็แล้วกันคุณสลาวุธครับ การเช่าหาซื้อขายพักเครื่องเป็นบาปกำไหมครับไม่บาปแล้วก็เป็นเชินค้าอย่างหนึง่งคุณนัทธสพักครับผมกรณีเข้าร่วมพิธีหล่อพระถือว่าเป็นบุญประเภทไหนครับถ้าเราบริจาคเงินก็เป็นทานเนี่ยนำทานนะส่วนพิธีนี้มันไม่ได้เป็นมันก็เป็นแค่พิธีกรรมทั้งนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญหรือบาปแต่อย่างใด แต่บุญก็เกิดจากการที่เราบอจากเงินร่วมร่วมจ่ายค่าค่าหล่อพระอย่างนี้เราก็จะได้ทานทำบุญทําทานคุณเพนครับตุ๊กแกมาร้องบริเวณบ้านเราสดมนแผลไม่ตาตอนนี้เขาร้องไกลบ้านแนะละร้องลดลงเป็นเหตุเป็นผลกับทางธรรมไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องไปถามตุ๊กแกดูเยคุณสุภาพครับ สวดมนต์รับศีลห้าทุกวันช่วงเช้าทุกวันก่อนไปทํางานแต่มีปัญหาที่ทํางานให้ทุกใจทุกวันคือกรรมไหมครับอาจารย์สวดมนต์รับศีลห้าทุกวันช่วงเช้าทุกวันก่อนไปทํางานแต่มีปัญหาที่ทํางานที่ให้ทุกใจมันไม่เกี่ยวกันนะปัญหาที่เกิดจากที่ทําให้เราทุกใจที่ทำงานก็เพราะเกิดจากความอยากเกิดจากกิเลสของเรา เราอยากได้ให้อยากให้เขาทำอย่างนั้นทําอย่างนี้พอก็ไม่ทําตามใจเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้มันเรื่องของความอยากไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการรับสินห้ามันมันไม่ได้ไป <c ười> ทําให้ความทุกข์ใจหายไปได้สินห้าไม่ได้ทําให้ส่วนมึงก็ไม่ได้ทำให้มันหายไปได้ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากถ้าเราลดความอยากได้ความความทุกข์ใจก็จะหายไปน้อย ล, ลงไป ก็คอให้ฝึกยินมีตามมีตามเกิดยังไงก็ได้ใครจะทําอย่างไรก็ได้ถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกใจแต่ถ้าเราต้องกําหนดว่าเขาต้องทอํา อ, ทอย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนี้อันนี้คือความอยากของเราแล้วพอเขาไม่ทำํำเราก็ทุกใจขึ้นเลยคุณซีครับเทวดาที่อยู่ไม่ถึงชั้นอนาคามีสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานบนสวรรค์ได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าบรรลุ บรรลุเป็นพระดาบันไดในขณะที่อยู่บนสวรรค์เช่นพระพุทธมรารดาของพระเจ้าก็าสามารถปฏิบัติต่อไปได้คุณเอกชัยครับทําไมการภาวนาจึงมีอนิสงส์มากกว่าอย่างอื่นครับเพราะไ ด, ได้ได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสุขมากกว่าอย่างอื่นดับความทุกข์ได้มากกว่าอย่างอื่นคุณซีดครับ จากขอคำแนะนําในการเดินจงกรมตอนนี้ปฏิบัติโดยการเดินบริกรรมพุทโธเมื่อใจแวะไปคิดก็รู้แต่ไม่ตามบริกรรมไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกไหมครับถูกแล้วก็บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆคุณณัทธวุฒิครับนั่งสมาธิจิตไม่ถลําไปอยู่กับลมหายใจไม่ลงไปฟุ้งซ่านพอออกสมาธิเป็นสุขอย่างยิ่งแบบไม่เคยเป็นมาก่อนทุกครั้งที่มีสติกับลมหายใจหรืออยู่กับกายประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็หายไป ขอการบ้านครับก็ต้องทํำบ่อยๆทาให้ต่อเนื่องถ้าทำแล้วหยุดเดี๋ยวความสงบที่ได้มันก็จะหมดไปคุณเข็มจิลาบอกว่าถ้าไม่มีเงินทําบุญทําทานใส่บาทเราใช้แรงกายช่วยงานบุญเก็บกวาดทําทความสะอาดสาลาล้างห้องน้ําวัดก็ได้บุญเหมือนใส่บาทไหมครับกาได้บุญเหมือนกันะ สวดมนต์แผ่เมตตาในตอนเวลาขับรถเป็นการฝึกจิตหรือไม่ครับเป็นการฝึกแต่มันอาจจะเป็นการฝึกที่ไม่ไม่ถูกการรับเทศัเพราะเวลาขับรถนี่คนจะมีสติอยู่การขับรถจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าเรามนนแต่สวดมนต์บางทีแล้วอาจจะเผลอมองไม่ได้มองรถก็ได้ก็อาจจะมีเหตุอะไรกัทานานขึ้นมาก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ งั้ไม่ควรที่จะสวดมนต์นิแผ่นแมตตาในเวลาที่เราขับรถนะคนรจะมีสติอยู่การขับรถเพียงอย่างเดียวจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยถ้าอยากจะสวดมนต์แผ่นแมตตาก็จอดรถก่อนแล้วก็นั่งสวดเหมือนที่เ้าห้ามไม่ให้ใช้มือถือในขณะที่ขับรถมันก็แบบเดียวนี่นะเขาจะทําให้จไม่มีสติอยู่การขับรถอย่างสม อ, อย่างเต็มที่ คุณนัทพรครับการไม่อยากยุ่งเกี่ยวคบหากับคนที่เคยทาร้ายหรือให้ร้ายเราเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมครับมันก็เป็นเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ที่ถ้าเราอยากจะรักษาความสง บ, บความสุขของเราแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้บุคคลหรือเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กับเรานีก็เป็นเนรื่องปกติสามารถทำได้ไม่ผิดตรงไหน กุศลบริการครับทําบุญแทนกันได้ไหมครับถ้าเขาฝากเงินมาให้เราทำนี่ทำได้ทำทาให้เขาได้เช่นเขาเราจะไปวัดแล้วเขาเขาอยากฝากเงินมาร่วมทําบุญด้วยนี้ทําได้แต่เราทําบุญว่าบอกเราทําบุญให้เขานี่ทําไม่ได้ของใครของมันต้องเสียส่าเงินทองของใครของมันถึงจะได้บุญแต่อาจจะไม่มีโอกาสมาที่วัดด้วยตนเองก็ฝากคนอื่นไปทําให้แทนนี้แทนน่าทานได้ ้ตอองงองเินคุณธรรมประการครับอยากเข้าใจคําว่าอธิษฐานครับแล้วกวนพระอาจารย์ขยายความครับคำอธิษฐานานี่มันมีสองความหมา ย, ยความหมายทางโลกก็คือขออธิษฐาน ข, น, นขอนั่งขอหนี้ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ได้เรียนจบการศึกษาหรือขอให้ถูกลอตเตอรีอ่ต่างๆเนี่ยมันเป็นแปลว่าขอทา ตาหลนะักธรรมะคำาอธิษฐานนี้เป็นการตั้งใจที่จะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ <c oughs> ให้เกิดผลที่ต้องการอย่านอยากจะไปสวรรค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทําบุญไปตลอดชีวิตอย่างนี้ไม่ทํำบาปเลยอย่างนี้ก็จะได้ไปสวรรค์อย่างแน่แน่แต่ต้องต้องทําบุญต้องทํำบาปไม่ใช่ขอให้ไปสวรรค์โดยที่ไม่ได้ทําบุญและการบาละการกระทามบาปอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ดังนั้นอธิษฐานทางธรนี้ให้อธิษฐานที่เหตุ เพื่อให้ให้ผลที่เราอยากจะได้ถ้าอยากจะเรียนจบก็ให้อธิษฐานขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือไม่ให้ไปเที่ยวเตะไม่ให้ไปเสียเวลากับเรื่องงานอย่างอื่นให้ทุ่มเทวเวลาให้กับการเรียนอย่างเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จบได้ต้องอธิษฐานที่เหตุตั้งใจที่เหตุตั้งตั้งตั้งใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คือความหมายทางธรรมความหมายในบา ร, รมีสิบเนี่ยอธิษฐาน คุณลาล่าครับผู้หญิงนั่งฟังธรรมะอยู่บ้านนุ่งกางเกงขาสั้นนี้บาปไหมครับไม่บาปเราเป็นเรื่องของความเหมาะสมการรัเทะคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับฟังประวัติพระอริยสงฆ์แล้วเกิดอยากทําความเพียรถือว่าได้บุญไหมครับก็ยังไม่ได้บุญนะเพียงแต่เ ก, กิดความอยากนะต้องทําทําความเพียรถึงจะได้บุญต้องทำจิตให้สงบต้องรักษาศีลแน่ได้ถึงจะได้บุญ คุณ บ, บวยครับโรคไบโพล่ามีหลักปฏิบัติทางไหนให้อาการสองขั้วดีขึ้นบ้างครับทําใจให้สงบใช้สติควบคุมความคิดถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งมันจะไม่ไปทางซ้ายทางขวาที่มันไปซ้ายขวาก็เพราะมันไม่ควบคุมควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลาอารมณ์ไม่ดีก็ปล่อยมันออกไปเวลาอารมณ์ดีก็ปล่อยมันออกไปมันก็สลับไปสลับมา บางก็ดีบางทีก็ร้ายแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมมันก็จะก็จะทําให้เจิตไม่ไม่ออกไม่เป็นสองจิตก็จะเป็นหนึ่งแล้วเราก็สามารถควบคุมให้จิตไปในทิศทางที่ดีได้ทิศทางที่ไม่ดีเราก็ห้ามมันได้คุณปั๊กครับตักบาตรถวายปัจจัยด้วยเจตนาถวายพระสงฆ์ช่วยค่าน้ำค่าไฟท่านทําได้ไหมครับ ก็ต้องบอกกับท่านว่าทําบุญเพื่ออะไรทําบุญเพื่อส่วนตัวแล้วทําบุญเพื่อเพื่อเพื่อส่วนรวมของวัดแลนะท่านก็จะได้ออกไปทําให้ถูกถ้าทําบุญให้กับท่านใช้เป็นส่วนตัวท่านก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวถ้าทําบุญเพื่อค่าน้ําก้าวไฟท่านก็ต้องไปให้ทางวัดเขาเพื่อไปจ่ายค่าน้ําก้าวไฟก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเหมือนกับเวลาเขียนเช็คก็ต้องเขียนชื่อคนรับใช่ไหมจ๊ะให้ใครรับ คุณวัฒนาครับหนังสือสวดมนต์และพระที่แขวนในสร้อยถอดตั้งบนตู้แต่อยู่แนวทิศทางเท้าเวลานอนแบบนี้ผิดไหมครับถ้ามันอยู่ในที่สูงกว่าก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าทำที่ดีถ้าอยากให้สบายใจก็ย้ายมาไว้อยู่ที่ทา ง, ทางศีรษะเราก็แล้วกันด้วยไว้ด้วยไว้ที่หนึ่งเช่นเขามีห้องพระส่วนใหญ่เขาจะนิยมจัดห้องพระไว้ ถ้าอยากจะมีพระแล้วอยากจะแสดงความเคารพก็ต้องจัดที่ที่เหมาะสมไว้กับเพื่อที่เราจะได้แสดงความเคารพไม่ไม่เสียความเคารพจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับทำอาชีพขายเบอร์ขายหวยผิดสีไหมครับไม่ผิดหรอกมันก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่ง คุณอำพรครับเราทำบุญที่วัดและขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้บุญเต็มไหมครับไม่เต็มแล้วก็เพราะว่าเราขอคืนทำร้อยบาทแล้วก็ขอคืนสิบบาทนีแเราก็ทำแค่เก้าสิบบาทนั้นคุณวัฒนาศักดิ์ครับเวลานั่งภาวนาฟังเทศไปด้วยได้ไหมครับควรจะเลิกเอาอย่างไรอย่างหนึ่งถ้าจะภาวนาก็ไม่้องฟังเทศทำทำ นอกจากว่าถ้าเราภาวนาโดยใช้อาศัยเสียงเทศเป็นอารมณ์ก็กฟังได้แต่ถ้าเราภาวนาพุโทโธด้วยแล้วฟังเทศไปด้วยอย่างนี้ไม่กวนเพราะมันจะชนกันมันจะตีกันต้องเลือก อ, อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าภาวนาโดยที่ใช้เสียงเทศเป็นอารมณ์ก็ฟังเทศไปภาวนาไปควบคู่กันแต่ถ้าเราจะใช้พุโทโธหรือใช้ดูลมหายใจก็อย่าไปฟังเทศ คุณเข็มจิลาครับญาติท่านหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งสั่งเสียลูกหลานไว้ให้เตรียมการต่างๆและพร่มเพ้อตลอดเวลาว่าเป็นห่วงลูกหลานบางคนเป็นพิเศษท่านบ่นไม่อยากตายกลัวถ้าเราพยายามอธิบายกล่อมใจให้ท่านวางใจสบายใจและจากไปอย่างสงบเราได้บุญไหมครับก็ไม่รู้ว่าท่านอยากจะฟังเราหรือเปล่าถ้าทให้ท่านสงบได้ก็ได้บุญให้ธรรมะเป็นการให้ธรรมะ การให้ธรรมะก็เป็นการก็การกเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งคุณกดฉพรครับการนั่งสมาธิขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรจะทําให้ชีวิตดีขึ้นไหมครับเจ้ากรรมนายเวรส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันใช่หรือไม่ครับไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องการทํา อ, อการทำธรรมะที่เพื่อทาใจเราให้สงบไม่ได้ไปทำให้เจ้ากรรมนายเวรก็้าลดลด เขาอาจจะเอาหัสิกับกับเราแต่อย wow. ่างใดเราทำในเวรเขาก็ยังอาจะมีเวรมีมีมีกรรมกับเราต่อไปจต่กว่าเขาจะสามารถที่จะทําตามที่เขาอยากจะทํากับเราได้สําเร็จเขาก็อาจจะบมดเวรบดกรรมกับเราไปคุณยุทธนาครับอยากสําเร็จโสดาบันในชาตินี้ต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะสําเร็จครับวิธีที่เราที่สุดก็คือไปบวย เวิกับพระที่เป็นพระอาุลละบุคคลเป็นพระโสดาบาันหรือเป็นพาาาระอรหันต์ก็ให้ท่านสอนเหมือนเราจะทำงานแล้วก็ต้องมีครูสอนกันใช่ไหมอยากจะเป็นนักเทนนิสบอรหนึ่งของโลกนี้ก็ต้องไปหาอาจารย์โคด้ดดีๆเปเนียนกับโคด้ดดีๆเดี๋ยวก็ได้เป็นมือหนึ่งได้อยากจะตีข้าก็ไปศึกษาสถาบัยกูยกดหนูก็ได้ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับถ้าเรานําพระเก่าๆออกให้คนที่สนใจเช่าต่อไปบาปไหมครับไม่บาปเลยคุณออนอานงครับถ้ามีโอกาสชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายต้องทําอย่างไรครับอโอ้ยอย่าไปหวังชาติหน้าเลยพวกชาตินี้ทําอะไรหน้ารีบทำทัตนตอ น, ตอนนี้ดีกว่าละเราไม่รู้ชาติหน้าจะเกิดมาเกิดเมื่อไหร่อาการจะได้เป็นผู้ชายนี่มัน มันเหมือนกันว่ามันต้องเปลี่ยนนิสัยเราคนะตอนนี้เราเป็นนิสัยเป็นผู้หญิงแล้วเปลี่ยนนิสัยเป็นผู้ชายให้ได้ถ้เรานิสัยเป็นผู้ชายนะเราก็จะกลับมาเกิดเป็นผู้ชายได้ในภพข้างหน้าต่อไปนะเสีเวลาเปลาเปล่านี่ทําสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ดีกว่าทำเพื่อเราให้เราไม่กลับมาเกิดจะดีกว่าจะสะดวกจะเร็วกว่าจะง่ายกว่าคุณคสตร์ครับ สี่ถือสี่ห้าบรรลุธรรมได้ไหมครับไม่ได้แล้วสี่ห้าก็เป็นแต่ปิดประตูะบานนั่นเองคุณนโมครับตื่นพร้อมกับลมออกแบบนี้ใช่สติอัตโนมัติไหมครับไม่ใชาเหมือนกันเติมพร้อมกับลมออกเป็นยังไงเติมพร้อมก็ดูลมอะไรนึกไงถ้าดูลมแั้วก็ต้องดูตลาดเวลาไม่ใช่ดูแค่ลมออกครั้งเดียวแล้วก็หยุดไป ต้องมีสติต่อเนื่องทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ตืน่นตลอดเวลาที่ตื่นนี้ต้องมีสติอยู่ก่อนลหมหายใจก็อย่างนี้ถึงยังไม่พมีสติอาจจะตื่นมาแล้วก็ดูลมออกอย่างเดียวแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูลมอีเลยอย่างนี้ก็ไม่มีสติมีสติแค่คราบเดียวคุณตัวเขียวครับถ้าเราให้ตัวแทนในครอบครัวไปร่วมทําบุญโดยที่เราไม่ได้ไปร่วมเองเช่นพ่อไปร่วมทําบุญแทนแม่และลูก แม่และลูกได้บุญด้วยไหมครับอยู่ชื่ว่าบุญที่ที่ให้ทำนี้มาถึงอะไรหมายถึงถ้าเอาเงินไปบริจาคถ้าไม่จะเป็นเงินของเราเราก็จะไม่ได้บุญบุญจะเกิดกับเป็นเจ้าของเงินเท่านั้นงคุณอากาลิโกบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยมีศีลแล้วไม่รู้จะรักษาไปเพื่ออะไรแต่อยากมีความสุขในชีวิตแต่มันไม่มีพอได้ฟังธรรมะพระอาจารย์ ถึงรู้ว่าการรักษาศีลทาให้ใจเป็นสุขจริงๆครับ mm hmm. คุณเข็มจิลาไม่เข้าใจคํากล่าวที่ว่าเรามีความทุกข์เป็นเพื่อนจงอยู่กับความทุกข์ให้เป็นเรื่องปกติแล้วเราจะพบกับความสุขก่อนที่จะมีสุขกลัวว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าไปเสียก่อนครับคือส่วนใหญ่เราจะมองว่าความทุกข์ีเป็นศัตรูของเราเราไม่อยากจะเจอไม่อยากจะพบ เราไม่อยากจะเจอความทุกข์นี้มันเหตุที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาชั้นหนึ่งความทุกข์นี้มันเป็นความทุกข์ที่เกิดทางร่างกายเ้วมัจจะไม่ต้องการความทุกข์ทางร่างกาอากาศร้อนเกินไปอากาศหนาวเกินไปหิวข้าวทุกยากลำมากับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลท้องอย่างนี้เราเป็นความทุกข์ที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะ้ที่ถ้ามาเกิดในโลกนี้ ถ้าเราไปลังเกียจมันไปเห็นว่ามันเป็นศัตรูเราก็อยากจะกําจัดมันอยากจะให้มันหายพอเรากําจัดมันไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นมองว่าเป็นเหมือนเพื่อนมันมาเราก็ยินดีตามรับมันอยู่หัดฮัดอยู่กับมันไปถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็จะตัดความอยากให้อยากไม่ให้เจอความทุกข์ได้พอเราหยุดความอยากไม่เจอความทุกข์ได้ความทรมานใจก็ไม่เกิดเวลาที่เราเจอความทุกข์ต่างๆ คุณตะวันครับการบริจาคโลหิตเป็นการทําบุญชนิดหนึ่งได้อานในส่งเหมือนกับการทําบุญด้วยวิธีอื่นๆได้อ่านในส่งเช่นเดียวกับกันใช่ไหมครับถ้าจะเปรียบเทียบว่าบริจาคโลหิตหนึ่งครั้งได้ทําบุญกับการหยอดตู้ตามวัดต่างๆยี่สิ บ, บาทอย่างนี้ได้บุญเท่ากันไหมครับก็อยู่ที่ว่าเลือกที่เราบริจาคมีคุณค่าราคาเท่าไหร่ถ้ามันมีคุณค่าราคาเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันถ้ามันมีคุณค่าราคามากกว่ามันก็ได้บุญมากกว่า ที่คุณค่าของสิ่งที่เราบอยจาคไปว่ามันมีคุณค่าราคาเท่าไหร่คุณลาล่าครับเคยไปช่วยล้างจานในงานวัดและล้างบาทพระที่วัดแล้ววางคว่ําลงกับพื้นบาตรไหมครับก็บาตรก็ถือว่าเป็นของสูงไงส่วนใหญ่ก็ควรจะวว้ที่สูงที่เหมาะสมเพื่อแสดงความเคารพ คุณนัทธพักครับตอนเนื่องการปฏิบัติความเพียรของคาแนะนำจากอาจารย์ผมขออดอาหารแล้วทานน้ำอย่างเดียวเดือนละครั้งก่อนช่วงวันหยุดถ้าท้องเกิดร้องมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรครับก็ปล่อยมาน้อยไปเลยไม่ไม่ตายหรอกไม่เป็นไรแล้วปล่อยมาน้อยไปคุณนัตธพลครับการนั่งสมาธิรับรู้ลมหายใจตอนเช้าทุกวันเมื่อถึงเวลาจะนั่งสมาธิ ขณะที่นอนอยู่นั้นก็เริ่มรับรู้ลมหายใจเข้าออกรู้นิ่งสงบก่อนลุกขึ้นนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ฝึกฝนร่างกายคุณชินให้พัฒนาต่อไปใช่ไหมครับก็พยายามมีสติอยู่เรื่อยๆคุณอินรีครับไม่อยากเกิดต้องปฏิบัติอย่างไรครับต้องหยุดความอยากทั้งหมดที่มีในใจของเราให้หมดไป คุณออดอันองบอกว่าลืมตาตื่นนอนนะพูดโธเลยอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าก็พุดโธรเลยแล้วก็พูดโทไปทั้งวันไม่ใช่พูดโธแค่ตอนลืมตาเพียง <cribing S 1> อย่างเดียวพูดโธไปแล้ววันไหนที่เราไปทํากิจส่วนตัวอะไรก็พูดโธรไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันตแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเป็นช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวเรื่องต่างๆแล้วก็พยายามควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพูดโธไปอย่าให้คิด นั่นว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานต้องใช้ความคิดก็ต้องหยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวก่อนคํทำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับทําสมาธิแล้วพุโทโธหายแล้วลมหายแต่มีสติรู้แล้วเวลานอนมันไม่ยอมนอนแต่ไม่เพลียเหมือนคนนอนเต็มอิ่มตลอดเวลาเพราะจิตมันตื่นนะครับและผมจะทําอย่างไรต่อครับผมมาถูกทางไหมครับก็ทําสมาธิต่อไปก็พุโทโธใหม่ดูลมใหม่ใหม่ใหม่ ถ้ามันไม่หลับก็รู้ว่ามันไม่หลับถ้ามันจะหลับก็หลับอย่าไปอยากให้มันหลับครับอาจารย์ขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆ น, นดูอยู่ในเฟ e b o o k 974คนใน y o ย t u b e 670คนใน c l ับเ o า s e 7คนรวมมีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนดูฟังทำด้วยกัน 1,651 คนครับถ้าขอเช่นชมยินดีกับท่านผู้ชมผู้ฟังที่สนใจในธรรมนี้ หวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำอาไปใช้ในการพัฒนาจิตใจให้ไปสู่ที่สูงต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจนงนเอาสิ่งที่ท่านไม้ยินได้ฟังไปไปพิจารณาไ ป, ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดข้ออันใดก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอจริญนพรกลัขบขอบพระคุณพระอาจารย์คร้